ใชสงขาเลยไมทอะไ น, นี้ครั้งก่อนยุคเป็นปฏิบตัติตอนที่คอนเิกเสร็จใหม่ๆอาสี่ปีแล้วะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นปฏิบัติได้นะเรื่อยๆ แ, แล้วก็ ว, กวัมีโอกาสดีก็เได้มาครั้งมามาโดยตรงเลยหรือว่ามาทำเทาเนะ่าไรเีย แล้วก็พอดีว่าอยากจะมีค่ะจากพระจันทร์แล้วก็คุยกับพระจ า, า, านร์ด้ว ย, ยงเนี้เพราะว่าปกปกติโอกาสไม่ค่อยจะมีก็ค่ะก็เลยีมาแล้วก็ ล, ลงขึ้นมาข้าบนดูอืมช่วงนี้เธอมพอดีอะไรหลานงือเลยหอานี้ไหนที่ราชมงคลศรีชัยครับส่ค่ะเนงเรีนอะไรเป็นสถามั น, นใกล้ๆมาในตู้ยี่ครับ ราชโมงราชมงคนเดิมครับแล้สอนเกี่ยวกันอะไสอนวิวกรรเครื่นนองกลสอนริธุริ็นระดับยิยวเลยอย่ยตีอืออนก็พัฒนามาจากปวสสู่ยี่อตอนนี้กเลยจะ ก, กลับไปใปวเหมือนเก่าทาไมะเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้ไหมขัดแคนไม่ได้ในานเราะว่า <c oughs> สสขัดแคนครับตามนโยบายของรัฐบาลว่า ที่เขาต้องการคือแบบช่างประดิษฐการวิทยาศาสตรก็มันดังในระดับวิชาชีพท้นสูงปวสยินทางช่างกลทางช่ไหมพวกคนหน้าคื่อก็จะปัญหาเดิมที่ว่าเขาจะเราออกตอนนี้ก็ยังมีความมั่นใจว่าจะลาออกเมื่ออายุครบราชการก6าปีอก็พยายามที่จะปฏิบัติ ให้มากที่สุดนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรายังทำงานอยู่ก็มันก็จะติดๆขัดๆเพราะว่าจะต้องเจออะไรหลายๆอย่างอะย่างเง้เยก็เลยมองว่าลูกก็เลยร อ, อขออนุญาตแล้วว่าเนีย่ยอีกสักประมาณ6ปีลูกก็จะอยาจะมาทำให้เป็นที่ทางด้านทางด้านฝ่ น, นี้แลูกเ่ะ <laughs> ไม่ลูกไม่ใช่นะ พยายามที่จะเตรียมการอยู่มีลูกอ่ะเราจะให้ใครเรื่องอ่ะก็จะเป็นผมลูกคือเขาก็ให้โอกาสเขาไม่สบายใจผมก็หวังว่าในไปีเขาอาจจะเจอทางออกที่เหมาะสมแต่ว่าในระหว่างนี้เขาว่าคงต้องศึกษาไปเรื่อยๆในที่เหมาะสมที่สุดนะครับอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นใดขั้นหนึ่ก็คงหวังว่ามีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นหลังเรข้าบ้าน ของผมเองก็ต้องไม่จา่ว่ามันเป็นหน้าที่รานเชองต่อไปเราจะปล่อยให้เขาปฏิบัติตามอธิยาศัยเขานี่เลยก็คือว่าเหก็วาก็หมายว่าเขาจะปฏิบัตที่บ้านผมก็เป็นฝ่ายสนับสนุนเท่าที่จำเป็นเลี้ยงลูกไปด้วยปฏิบัติด้วยนี่เลยก็ตอนนี้ลูกก็พยายามจะจะเตรียม าว่าจะไปสร้างบ้านเล็กๆสำหรับปฏิบัติธรรมจะทําได้ไม่รู้เกี่ยวเนี่ยคนเดียวคนเดียวเกี่ยวกันะตอนนี้ห้าขวบห้าขวบเคยเคยมาหาบ้านอาจารย์ตอนน่อได้แค่เดือนเดียวอแต่ตอนนั้นลูกปฏิบัติรู้สึกว่ามันเห็นผลมากนะเจ้าค่ะเนี่ยเจ้าค่ือเห็นผลชนิดที่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเรเห็นทุกปรากฏในจิตแล้วเราเลความรู้สึกว่าทุกนั้นอืมทุกนั้นมันดับไปหรือว่าทุกนั้นมัน มันมันจิตมันไม่สะเทือนอแต่เราก็สงสัยว่าทําไมเ อ, อพอเราถูกกระทบอะไรอีกในบางครั้งเนี่ยจิตมันก็แกว่งอแกว่งแกว่งเห็นเลยว่าอ้าวมันไม่ใช่แล้ว่ที่เรารู้สึกว่าคือเคยเห็นความอาัศจรรย์ว่าทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วดับเลยอืทั้งเราเขาเ้าใจเฮาพ้นทุกข์ก็มันมีหลายเรื่องเนี่ยอาจจะพ้นเรื่องนั้นแต่เรื่องนี้ยังไม่พน้น อาจจะก็ต้องแก้ไปทีละเรื่องอาจารย์ไหยแก้ไปทีละเรื่องอ่าเรื่องไหนที่ยังทําให้เราท้กข์อยู่เราก็ต้องแก้การเรื่องที่เราไม่ทุกข์กับมนันแล้วก็ไม่ต้องแก้มันมีหลายเรื่องแล้วเราแบบขาดสติกับขาดสมาธิก็ขาดสติสมาธิปัญญาเนี่ยสามตัวนี่โดยเฉพาะปัญญาไม่เห็นไตรลักษณ์ อ้าเห็นตายลักมันก็จะมันก็จะไม่ทุกข์แต่ยังไม่เห็นตายลักยังไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราพอไปยึดไปติดมันก็ทุกข์ขึ้นมาพออยากให้ดีอยากให้อพอเกิดความอยากมันก็ทุกข์ถ้ามันไม่มีความอยากมันก็จะไม่ทุกข์ มันเร่มืนเหมือนกับว่าพอเราเห็นความอยากปั๊บเราดึงใจมันมาอยู่ตรงกลางได้มันดึงได้มันมันรู้สึกว่ามันก็ดึงมันก็ต้องดึงไปเรื่อยๆถ้ามันออกไปจากกรงกลางก็ต้องดึงมันกลับเข้ามาอย่าให้มันไปอยากอยากให้ไปทําการว่าตันหาภาวะตันหาหรือวิภาวะตันหาให้มันอยู่ตรงกลางให้อยู่เฉยๆแสดงว่ามันก็เป็นกลางได้เอ่อ บ า, บ, าบางเรื่องบางเรื่องบางเรื่องยังไม่เป็นของที่เรายังถ้าเรายังมีของที่รักอยู่มันก็ยังเป็นกลางไม่ได้ถ้ายังรักลูกอยู่เดี๋ยวลูกเป็นอะไรก็เป็นกลางไม่ได้รักลูกก็ไ่าคือลูกได้ยินคำสอนได้ยินพระทําคคำสอนมาค่อนข้างเยอะลูกก็พยายามเตรียมใจกับกับ กับหลายๆเรื่องแต่ทีนี้มันก็รู้สึกว่าสงสัยมันจะคงจะเป็นเพราะว่าเรื่องดูชนธรรมดาเพราะคงจะมีเราเป็นห่วงอยู่มันไม่เห็นตายรักมันไม่คิดจะนาตายรักอยู่เรยเห็นอะไรก็ต้องว่าเป็นตายรักหมดสามีก็เป็นตายรักลูกก็เป็นตายรักงานก็เป็นตายรักเงินก็เป็นตายรัก ร่างกายเราก็เป็นใจรักต้องเห็นทุกอย่างเป็นใจรัก ม, มันก็จะไม่ยึดไม่ติดมันก็จะไม่อยากมันก็จะไม่ทุกค์ปัญหาเขาก็คงเป็นปัญหาประเภทไม่ได้บวังอะไรกับใครแต่เขาก็อยากไม่อยากให้คนอืดด่นมาไม่ไเจ็บเขาคือ มันเป็นกีเลสก็อยากเป็นเงิน้นี่ยอยากให้ดีอยากให้ดีอยากให้ดีเราสั่งมันได้ปะไ็อยากมันทาไมลูกเคยรู้สึกว่าลูกเคยเห็นสภาวะความเป็นกลางนั้นแล้วนั่นเป็นสมาธิท่านเองสมาธิอยนี้ไม่เกิดจากการใช้ปัญญาถ้าเป็นภาวะที่เป็นการโดยใช้ปัญญามันจะถาวร ภาวะที่เกิดจากสมาธิมันชั่วคราวพอออกจากสมาธิมามันก็มันก็กลับไปเหมือนเดิมใช่เพราะ่ยังมีช่วงนึงที่ลูกหักโหมปฏิบัติยังหนักมีความรู้สึกว่าลูกคิดว่าลูกเห็นผาผลทางสมาธิใช้สติใช้สติกควบคุมใจแต่ไม่ใช้ปัญญาใช้ปัญญาไม่เป็นอย่งไม่ได้ใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาแล้วมันจะถาวร สมมติเราเห็นขับรถยนต์อยู่แล้วมีมเไฟแว้นผ่านหน้าอืบางคนก็ดา่าบางคนก็รู้สึกเฉยเฉยนี่เป็นเพราะก็เพราะใจเขจ้าใจไม่ไปยุ่งกับมันบางคนก็ไม่ได้ใครมาอะไรไม่ได้ยุ่งหมดเพราะนั้นถึงเพราะใจมีความอยากหรือไม่อยากคนที่อยากความที่คนที่อยากให้ไม่ปากหน้าเขาก็จะโกรธ คนที่เฉยๆคนที่ไม่มีความอยากใครจะปาดหน้าเขาปาดเขาก็เฉยแต่ว่าระดับของความอยากมันก็ต่างกันบางคนทุกเรื่องคือโมโหทุกเร่อะเลยเา ม, ามากน้อยต่างกันนีไงอย่างนั้นต้องเนต้องต้งองฝึกฝึกทําใจให้เป็นกลางด้วยสมาธิก่อนแล้วพอใจเป็นกลางแล้วก็รักษามันด้วยปัญญาอย่าให้มันออกไป อยากกับเรื่องต่างๆเพราะอยากแล้วมันทุกข์ถึงแม้ว่าได้มาแล้วมันก็ทุกข์อยู่ดีอยากได้อะไรมามันก็ทุกข์อยู่ดีเพราะได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปพระไม่มีอะไรถ้าวอนอันนี้จังแล้ไม่ถาวอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิม มีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อมพิจารณาอย่างนี้ไปกับทุกเรื่องทุกอย่างทุกสิ่งทุกคนทุกเหตุการณ์ยังไม่ราชพัฒราชมงคล น, นี่จกับการเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยก่อนราชมสมภพราชพัฒนก็นจะเปิดเรียนโถอีก <laughs> มันก็เปลี่ยนไปของมันนะ บางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูให้ของ E Q ขอแต่คนไม่เท่ากันจะส่งต่อการเป็นแบบีันคน E Q สูงนี่ปัญหามากอาย Q สูงดี E Q สูงไม่ดี EQ สูงจะแดงว่าเจ้าอารมณ์ใช่ไหก็สึก EQ มันจะเป็นคนฉลาดทางอารมณ์ความฉลาด <ใน S 1> ทางอารมณ์นะไม่ใช่ความโงทางอารมณ์ <c oughs> มนเนี่ยก็สุดืองนี้ก็มีหลายคิวมากว่าสิจำได้เจ็ดคิวคล้ายๆนตไม่สูง EQ สูงเป็นคนใจเย็นนี่ไงคือใจใช่ไหมครับประมาณนั้น EQ <อ>ต่เป็นคนใจร้อนใช่อะไรก็มโมโหแหละ มันมีหลายหลายคิว อ, อีกางเงีนมีด้านศรลธรรมด้านอะไหเลือกทมีทุกเพื่มมาที่ผมทราบอีกห้าคิวจำไม่ได้แล้วแต่ทุกอย่างลิงก์กับพื้อศาสนาได้หมดเลย่คิวสูงก็ฉลาดเห็นความจรงิงแต่รู้สึกว่าจะอยู่ไม่ได้ถ้ามีเฉพาะไอคิวเ <laughs> นี้ยเนี่ย วุตสสานาก็มีสอนอยู่เจ็ดคิวด้วยกันรู้เหตุรู้เหตุรู้ผลในไอคิรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ประมาณความพอดีรู้กาลเทศะเนี่ยวัตสสนาสอนเจ็ดคิวเจ็ดรู้เหตุอ่ะ ดูว่าการกระทำเป็นเหตุการกระทำมีอยู่สามการกระทำทางกายทางวาจาทางใจทางความคิดทำแล้วก็เกิดผลขึ้นมผลดีผลไม่ดีผลกลางๆเช่นไปขโมยเขาก็ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปช่วยเขาก็ได้รับรางวัล ได้รับคำชมเชยถ้าไม่ได้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้ทำให้คนอื่นได้รับประโยชน์ก็กลางๆเรามีการกระทำสามวันวันวันหนึ่งการกระทำที่ไม่เป็นบุญก็คือทำแล้วไม่มีใครได้รับประโยชน์จากเราการกระทำที่ไม่เป็นบาปก็คือทำแล้วไม่มีใครได้รับโทษจากเราหรือทาทำแล้วเป็น เป็นโทษก็เรียกว่าบาปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่เนไปรักทรัพย์ไปฆ่าสัตว์ไปประพฤติผิดตเวนีไปโกหกหลอกลวงนี่เรียกวเป็นการกระทำบาปส่วนการกระทำบุญก็คือการช่วยเหลือผู้อืน่นด้วยวิธีการต่างๆด้วยทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองด้วยวิชาความรู้วิทยาทาน ด้วยธรรมทานก็ความรู้ธรรมะด้วยทรัพย์สมบัติข้าวของวัตถุก็วัตถุทานการทําทให้ผู้อื่นมีความสุขก็เรียกว่า บ, บุญแล้วผูก้กระทาก็ได้ความสุขด้วยการกระทําทให้ผู้อื่นมีความทุกข์ตัวเองก็ทุกข์ด้วยนี่คือเหตุและผลผลก็คือสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้น กับตนเองและกับผู้อื่นการกระทาที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป ก, ก็คือการดูแลรักษาร่างกายชีวิตของเรานี้เป็นไปจับจ่ายซื้อกับข้าวไปออกกำลังกายทำกับข้าวอาบน้าอาบท่าเนี่ก็เป็นการกระทำเหมือนกันเป็นการกระทำที่ไม่ได้เป็นบุญและก็ไม่ได้เป็นบาปเพราะไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ใครได้รับประโยชน์ มีการกระทำสามแบบแล้วก็มีผลสามแบบสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์กับตนเองและกับผู้อื่นนี่เรียกว่า E I Q นี่ I Q ทั้งหมดเจข้อนี้รู้ตนก็คือรู้ว่าเราเป็นใครแเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายก็ทต้องทำตัวแบบนี้ ผู้หญิก็ต้องทําตัวแบบนี้เป็นนักบวชรืเป็นค า, า, า, ารวะก็ทําตัวไม่เหมือนกั น, นอาจารย์เป็นลูกศิษย์เนี่ยทาตัวไม่เหมือนกันต้องรู้จักทาหน้าของตนเองว่าตนอยู่ในสถานภาพไหนก็ล อ, องทาตัวให้เหมาะสมกับสถานภาพของตนเป็นข้าราชการก็มีกฎระเบียบในการกระทําตัวเองใช่ไหย นั้นนี่ก็เรารู้จักรู้ตนแล้วก็รู้บุคคลก็เรื่คนอื่นคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเขาก็มีสถานภาพที่ต่างไปบางคนก็สูงกับเราบางคนก็เท่าเราบางคนก็ต่ํากับเราวิธีปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆก็ไม่เหมือนกันคนที่สูงกว่าเราก็ต้องอะไรให้ความเคารพให้ความเกรงใจ อนน้องคนที่เท่าเราเราก็ให้ความเสมอภาคคนที่ตามกับเราเราก็ให้ความเมตตาให้คําสั่งให้การเหมันก็ต้องวางตัวองให้เหมาะสมกับสถานภาพรู้รู้จักบุคคลรู้จักสังคมก็ สังคม ก, ก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละสังคมสังคมของมหาลัยก็มีขนบธรรมเนียมของมหาลัยของวัดก็มีของวัดไม่เหมือนกันจะไปใช้ปนกันไม่ได้คุณมาอยู่วัดนี่คนก็ต้องรู้จักสังคมของวัดแล้วไงวัดจะให้แต่งกายยัเไยต้องใส่ชุดขาวแล้วไนะต้องรู้จักเวลากินข้าวแล้ว กินผิดเวลาเดี๋ยวเขาก็ถับออกจากสังคมไปอยู่ไม่ได้แล้ถ้าสังคมที่อยู่ไม่ดีก็อย่าไปอยู่สิแต่เราเ<ะ>อีายแปลกแยกออกมาพระพุทธเจ้าบอกอาศัยวานาจารบาลานังบัณฑิตา น, นันจะเสวนาไม่ให้คบคนพาไให้คบบัณฑิตบัณฑิตก็สังคมที่ดีคนพานก็สังคมไม่ดี ก็ต้องแยกออกมาคุณจะไปอยู่กับคุณจะไปอยู่กับกองขยะทำไมใช่ไหมยอยู่กับขยะมันก็เหม็นหนึ่งในมุมมองที่แต่ผมเขาจะออกราชการไปปฏิบัติธรรมในเรียงก็ได้เลยเพราะ ว, ว่าสังคมเพราะรู้ว่าสังคมที่เขาอยู่มันไม่ดีไม่ได้ทําให้เขาหลุดพน้นจากความทุกข์อยู่กับสังคมนั้นก็ติดอยู่กับ การเวียนว่ายตายเกิดเพราะสังคมนั้นวิ่งเข้าหาความทุกข์กันไม่ได้ออกจากความทุกข์กันหาราบยศสรรเสริญสุขกันไม่ได้เนั่นแหละเป็นกองทุกข์แต่มองไม่เห็นว่าเป็นทุกข์กลับไปเห็นว่ามันเป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านก็คอยอยู่ในกองกองนี้มาก่อนราบยศสรรเสริญสุขแต่ท่านมีปัญญาท่าเห็นว่ามันทุกข์ ทุกข้ออะไรข้อไม่เที่ยงใช่ไหมทุกข้อมันไม่ใช่เป็นของเราใช่ไหมทุกวันหนึ่งมันก็มันก็จากเราไปใช่ไหมมันไม่จากเราไปแล้วก็จากวันไปแล้วเวลาจากกันมันถุกมันสุขแล้วมันทุกข์อ่ะรู้สังคมสังคมไหนดีแล้วก็ไปอยู่สังคมนั้นสังคมไหนไม่ดีแล้วก็อย่าไปอยู่ สังคมว่าดีกว่าสังคมบ้านแต่ไม่ชอบอยู่กันชอบอยู่สังคมบ้านเงพราะยังติดราบยศจัลเสงกันอยนู่สังคมแล้วก็รู้ประมาณความประมาณก็คือความพอดีมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเสื้อใ ห, ใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเล็กเกินไปก็ไม่ดีรองเท้าก็เหมือนกัน ของใช้ไม้สอยต่างต้องพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่ดีกินมากก็อ้วนก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บกินน้อยก็ผอมก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บใช้ของมากเกินไปก็ไม่ดีเสื้อผ้ามีไว้เป็นตู้หลายตู้มีไว้ทําไมดีไหมเป็นภา ร, ระปปล่าเสียเงินเสียทองเสียเวลาไปทํางานหาเงินทองมาซื้อเสื้อผ้าไว้ เต็นตู้ซื้อมาทําไมไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ใช้ใช้จริงๆไม่กีดตัวใช่ไมสองสามชุดก็พอแล้วชุดขานี่เพิ่งมีกี่ชุดเนี่ยมาอยู่ว่านี่มีแักสามชุดก็พอแล้ว <c oughs> ชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองผ้าของผ้าพุทเจ้าก็ให้สามผืนก็พอผ้าไตา ตายแบบ ว, ว่าสามผ้าสามผืนผ้านุ่งผ้าห่มผ้ากันหนาวเนีย่ยพอประมาณรู้จักประมาณแล้วชีวิตจะไม่วุ่นวายทุกวันนี้ไม่รู้จักประมาณกันอยากได้เยอะๆอยากได้เยอะก็ต้องขวนขวายต้องดิ้นรนต้องหาเงินหาเงินได้น้อยก็ต้องคอรับช่นกัน ต้องโกงกันต้องหลอกกันทำบาป ก, กันในเกิดจากการไม่รู้จักประมาณแตว่าความพอเพียงก็เป็นความความอยู่ได้ดู้เป็นรูปแบบของคารบา ท, ทั่วไปความพอเพียงก็พ อ, อแล้วอ็พอแล้วก็พอดีไงถ้ามันพอมันก็ดีถ้ามันยังไม่พอมันก็ไม่ดี หปรกการสุดท้ายก็รู้กาลเทศะรู้เวลารู้รู้สาถานที่เวลาเราไปสถานที่นั้นเวลานั้นเขาทำอะไรกันอยู่ไปงานศพเขาก็แต่งชุดดำไปงานแต่งงานเขาก็แต่งชุดสีสันร้องนำทำเพลงไปงานศพเขาก็แท่งเขิม ไม่ใช่ไปงานศพก็ไปโหัวเลาะก็กกกะร้องราทําเพลงไปงานแต่งงานก็ไปใส่ชุดดําไปเรียกว่าไม่รู้จักการละเทศะเวลาคนเขาฟังคนเขาพูดเราก็ไม่เราก็ต้องไม่พูดเวลาเขามีกิจกรรมอะไรเราก็ต้องเราก็ต้องไม่ไปขัดกิจกรรมที่เขากาลังทํำอยู่เราเรู้จักาการลเทศะ หรือว่าเวลานี้ควรจะทำอะไรควรจะพูดอะไรหรืไม่ถ้ามีหกคิวนี้เจ็ดคิวนี้ก็อยู่ที่ไหนก็สบายจะไม่มีปัญหากับใครจะไม่จะไม่สร้างโทษสร้างอะไรให้กับตนเองแล้วทุ ว, วันนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าคนเยอะโรคซึมเศร้ามีนจะเป็นเพราะไม่รู้เหตุไงอุปสรรคของการเดืกดร้อนเพราะไม่รู้เหตุไง การซึมเศร้ามันก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทํำของตนเองซึมเศร้าก็รนาะอเพราะผิดหวังเพราะไม่ได้นังใจก็ซึมเศร้าเพราะอยากอยา ก, อยากได้นู่นอยากได้นี่เพราะไม่ได้ก็ซึมเศร้าก็เกิดจากไม่เห็นเหตุคือความอยากเพราะเป็นเหตุของความซึมเศร้า ถ้าม่อยากซึมเศร้าก็อยาาไปอยากได้ะมันก็หาย้วถ้ายินดีตามมีตามเกิดมันก็ไม่ซึมเศร้าแล้วบางคนต้องกินยาก็รักษาไม่ถกก็รักษาไม่ถูกเหตุปัญหามันไม่อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจจะกินยาทำไมกินยามันก็ไม่หายยาเพียงแต่ไปกล่อมปร ะ, ะสาทเท่านั้น ้ะอะไรบางอย่างไปก่อนประสาทของร่างกายทำให้ใจไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายทำอะไรได้ให้นอนใช่น อ, อนหลับใชพอตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดฟุ้งร้างคิดซึมเศร้าไปีานจบแล้ว คุณก็สงสัยฉันใช่ไหมมันจะอยู่ทั้งเจ็ดปีกเปล่าก็นเลยด้แต่ว่าหลาปีมาที่แล้วท่านก็ยังเหมือนเดิมใช่หลา5ปีข้างหน้าเราอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้มีอะไรแน่นอนที่ไหนเ่อ ย, นอย่าไปอย่าไปอนาคตเลยเอาที่ปัจจุบันเนี่ย รีบทำเสะยตอนนี้มีเวลาทําได้ทำเสียเจ็ดปีข้างหน้ า, า จ, จะไม่มีก็ได้โลกอาจจะแตกก็ได้น้าอาจจะท่วมเมืองไทยก็ได้สงครามอาจจะเกิดขึ้นก็ได้มัในใครจะเลยรู้ว่าอะไรภายในเจ็ดปีมันจะเป็นอะไรเรามันชอบวางแผนตามปัจจุบันที่ว่าปัจจุบันเป็นไงเจ็ดปีก็เราเป็นอย่างนั้น มันถึงประมาทจาังเลยมันมถึงผัดวันประกรันพุ่งมาเรื que, เร่อยๆอ้อยังมีเหลือเวลาเยอะแต่ถ้ามันคิดว่าพวกนี้อาจจะตายเยมันจะได้รีบทํารื่อยแต่วันนี้ทําวันนี้มันก็เสร็จวันนี้ทําเวลาอเจ็ดปีข้างหน้ามันก็มันก็ต้องเวลาเจ็ดปีข้างหน้าที่เจ็ดปีข้างหน้ามันจะมีเวลาปฏิบัติมีเวลาทําหรือเปล่า มัน จ, จะเป็นโลกมาเลย์เป็นอะไรไปแล้วก็ได้เอย่าไม่มองว่ามันเป็นอนไรจังเลยพอวางแผนเจ็ดปีพอมันเป็นไปก็เสียใจทุกข์พอคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นคิดว่าทุกอย่างเที่ยงแท้แน่นอนมันคิดว่าไม่มีอะไรแน่นอน มันนี้กับพวกนี้มันไม่มีมันไม่มันอาจจะเหมือนกันก็ได้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แล้วเขาก็ท่านจะเบียดเบียนคนอื่นสูงอย่างนี้ได้จริงๆแล้วมันมีอีกที่คนจะรับผิดมันก็มันไม่เกี่ยวกันหรอกคนที่ไม่มีเครื่องงานของขังก็เป็นคนที่เบียดเบียนคนาเองคนนี้ไม่เกี่ยวกัน ที่ว่าก็มเขานเ่เ ข, ขบาบอกพุทธคุณพุทธคุณมันก็คือคาเป็นพุทธคุณสมม่ินท้งาอันหนึงเป็นพุทธคุณต่อผู้ถือมันมีจริงหรอมันเป็นหรือเปล่าม่ะรูจกพุทธคุณแล้วเป็นอะไรพุทธคุณก็คุณเอสมบัติของพระพุทธเจ้า คุณธรรมสคุณธรรสมบัติของคุณจะไปอยู่ในก้อนหินก้อนก้อนเหล็กนั่นหรือเป่ามันเชื่อกันเองเช่อคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าอยู่ในในรูปปั้นที่กขาปั้นกันขึ้นมามันสามารถที่จะป้องกันเกาสุนป้องกันความแก่ป้องกันความเจ็บป้องกันความตายได้แล้วมันที่ห้อยผ้าที่มันตายนั่นเยอะแยมันอะไรป้องกันมันอ่ะอ่า งมงายเข า, านะไม่มีเหตุไม่มีผลพุทธคุณที่จะปกป้องเราไม่ได้ปกป้องร่างกายปกป้องใจถ้ามี พ, พุทธคุณมันก็จะดับกิเลสได้มันกป็ปกป้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้ไม่ให้เวียนว่ายตายเกิดได้พุทธคุณต้องสร้างขึ้นมา พุทธคุณจุดบริสุทธิ์เกิดจากการภาวนาเกิดจากการรักษาสิงเกิดจากการทำทานนี่ทำมันขึ้นมาสิทำทานรักษาสิงภาวนาไปเดี๋ยวมันก็เกิดพุทธคุณขึ้นมาในใจเราเกิดธรรมคุณขึ้นมาเกิดสังฆะคนขึ้นมาอันนี้แหละที่มันจะคุ้มครองรักษาเรา คำว่าเราไม่ใช่ร่างกายเขาใจคำว่าเราคือใจใจกับร่างกายคนละคนกันร่างกายนี้ไม่มีใครคุ้มครองได้ร่างกายของพระเจ้าก็ยังคุ้มครองไม่ได้พระเจ้าก็คุ้มครองร่างกายของท่านไม่ได้การไม่ใช่ตัวพระเจ้าไม่ใช่ตัวพระอรหันต์ไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ำลมไฟ เป็นที่อยู่อาสายชั่วคราวของใจ ใ, ใจต้องการพราะพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อคุ้มครองเพื่ออะไรคุ้มครองใจไม่ให้ทุกข์คุ้มครองใจไม่ให้ไปเกิดแก่เจ็บตายเพราะการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์ถ้ามีพระพุทธคุณก็จะไม่ไปเกิดแก่เจ็บตาย อาจารย์ไหมพระอาจย์ครับบุญกับอา น, นิสงส์ต่างกันไงมครับอ่ะเขามันสองคำมันก็ต่างกันเนาะคาว่าบุญก็บุญแปลว่าความสุขใจอ น, นิสงส์ก็คือผลที่เกิดจากการกระทํามีทั้งบุญมีทั้งบาบุญก็สุขใจบาบก็ทุกข์ใจครับรีฟังเทศของพระอาจารย์ครับพอดีว่าพระอาจารย์ ว่าทำบุญกับพระกับคนในบุญเท่ากันอ่าก็เท่ากันความสุขใจมันเท่ากันทีนี้ก็เลยว่าอย่างที่เคยได้ยินไม่ไม่เศราขาดองค์ประกอบเลยว่าเขาบอกว่าถ้าทําบุญกับพร ะ, พะปฏิบัติกับพระไม่ปฏิบัติเนี่ยก็จะแตกต่างกันอ่า น, นั่นบุญอีกอย่างหนึ่ง บ, บุญมันมีหลายบุญไงบุญที่เกิดจากการให้ไม่ว่าทาน บุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าปัญญาถ้าคุณจะพูดถึงปัญญาคุณก็จะได้รับต่างกันกับคนที่คุณไปทําบุญด้วยคุณทําบุญกับอาจารย์ระดับปริญญาตรีกับทําบุญกับอาจารย์ปริญญาเอกคุณจะได้ความรู้ใครจากใครมากกว่ากัน จากคนที่มีป ร, ริญญาเอกกับคนที่มีป ร, ริญญาตรีถ้าคนมีปัญหาคุณไม่ถามเขาเนี่คนที่มีป ร, ริญญาเอกกับป ร, ริญญาตรีนี่เขาจะมีความรู้มากน้อยต่างกันไหมเวลาคุณเรียนปริญญาโทคุณไปเรียนกับอาจารย์ที่สอนที่จบปริญญาตรีได้ป่ะอคุณต้องไปเรียนกับอาจารย์ที่จบ ป, ป ร, ริญญาโทหรือป ร, ริญญาเอกใช่ไหมถ้าอย่าง การทำบุญกับพระปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับทำบุญกับอาจารย์ที่จบหรือไม่จบเรียนเนี่ยอาจารย์ที่เรียนกับอาจารย์ที่ไม่เรียนนยีอันนั้นอีกบุญหนึ่งมรนมีหลายบุญอะไรอยนะแต่บุญที่เกิดจากการให้เนี่ยคุณให้คนนี้กับให้คนนั้นมันต่างกันตรงไหนะ่ะคุณก็ให้เหมือนกันนี่ไงนะถูกครับคือพี่นาก็ ก็ก็ตรงอย่างที่อาจารย์อาจารย์ว่าครับว่าทีอ่อย่งว่าเราไม่รู้จกักโบพระรูปเนี้ยปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ<ช>เลยหรือนี้เป็นญาก<ช>เราให้ก็มีสุขใจเหมือนกันนี่คใช่เพราะเราเสียสละไงบุญที่เกิดจากการเสียสละให้หมาก็มีความสุขใจได้<ช>ปล่อยเป็ดปล่อยปลาปล่อยไก่ปล่อ ย, ก ย, อย น, กนกมันก็มีความสุขใจได้มันให้ไงให้ความสุขแก่ผู้แล้วความสุขนั่นก็กลับมาหาเรา แล้วมีบุญแบบที่วัดไม่ได้เนีหยไม่ถึงว่าที่มองไม่เห็นนี่เหมือนกับว่าอาได้ผลกลับมาแบบคาดไม่ถึงแบบเรียกพินิหารอะไรประมาณนั้นตอนนี่แหละจะการให้ทานนี่แ ะ, ะถึงเวลามันจะโผล่ขึ้นมามันก็มาโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีแบบซ่อมหล่นนี่ทั้งที่ว่าเราประดิษฐ์ไปคือให้ทาน เขาไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติดีอย่างนี้่แต่ว่าก็เคยเคยมองาำแล้วปรากฏว่าแต่มันอาจจะไม่เกิดในชาตินี้ทา่านองอาจจะเป็นผลที่เกิดจากการที่เราทํามาในอดีตชาติก็ได้เราเคยช่วยเหลือใครชาตินี้เขามาเป็นเราเป็นมนุษย์เขาเป็นเทวดาเราอาจจะมีอํานาจมีอะไรสามารถช่วยเราได้ คนเดือดร้อนเทวดาอาจจะไปเข้าฝันกับคนที่ที่ ม, มีความสามารถจะช่วยเราแลว้วบอกให้เข้ามาช่วยเราก็ได้เพรา ะ, ะว่าจจะประสบการณ์เคยรู้สึกเสี่อมตัวเฉยครับว่าจากก่อนเขาไม่เคยทํำแู่ตอนหลังได้ลองทํากับทางพระแม่คกุฎิจารยหลวงตาเลยก็กยรู้อยู่ในใจคำว่าเทพบันดานเคยได้ยินไหมเทพบันดาลสมมุติเรา เราทําความดีกับคนคนหนึ่งเขาตายไปเขาไปเป็นเทวดาแล้วเขายังมาติดตามดูแลเราอยู่เนี้ยพอเราอยากจะส่งลูกเข้าเรียนมาหลาลัยโรงเรียนราชพัฒน์นี่เขาก็ไปเข้าฝันอาจารย์ที่จะรับเราให้รับเด็กคนนี้นะอาจารย์เห็นเด็กคนนี้ก็เกิดความชอบเกิดความอยากจะช่วยเหลือขึ้นมา แต่เป็นสิงที่เราไม่ควรไปคาดไปหวังครับทําบุญไม่ควรคาดหวังถึงที่เราควรคาดหวังก็คือความสุขใจที่ได้รับจากการทําในขณะนั้นแหละพอเราได้ช่วยเหลือใครแล้วใจเราก็มีความสุขเอาแค่ตรงนั้นก็พอส่วนบุญที่เกิดจากปัญญานี่ก็ต้องเลือกคนไปที่เราไปทําด้วยถ้าจะทําอยากจะได้ปัญญาทางพุทธศาสนาก็ไ ป, ปหาบาบุญเจ้า ไม่ผิดหวังถ้าไม่ได้วุทธเจ้าก็ไปหาพระอรหรันต์ถ้าไม่ได้พระอรหันต์ก็รองลงมาพระอน า, าคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันทางก็จะสอนให้เราได้รับความรู้ในระดับที่ต่างกันไปถ้าไม่ได้โสดาบันก็ไปหาพระที่เก่งทางสมาธิก็ยังดีถ้าพระเก่งทางสมาธิไม่มีก็ขอให้พระเก่งที่ศีลก็ยังดี เรฝึกแล้วหมายถึงว่าฝึกแล้วไ ม, วไม่คือมากระทบแล้วไม่หวั่นไหวโลกว่างอย่างนี้ประคับประคองไปเรื่อยๆถือว่าจบรับสูงหรือยังถ้ามันโล่งว่างมันมันก็ไม่ต้องประคับประคองถ้ายัางประคับประคองอยู่ก็ยังไม่จบคำว่าประคับประคองก็แสดงว่ามันยังจะล้มได้มันไม่ต้องประคับประคองมันถึงจะจบถ้ามากระทบก็เฉยว่าโล่งอย่างเดียวเลยเออ ก็ลองดูสิจบไม่จบถ้ามันนี่เราจะไปรู้มันจบหรือเปล่าเมื่อเรายังไม่ได้ไปทดสอบเรายังไม่ได้ไปเข้าห้องสอบเราจะรู้ว่ามันจบหรือเปล่าคุณนั่งเฉยๆตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรกระทบกับคุณใช่ไหมจบไหมนะตอนนี้จบตอนนี้ครับเดี๋ยวคุณขับรถไปชนกับใครเข้าเลยดูจะเป็นยังไง ไปเจอใครอยู่ดีๆก็มาด่าอย่างเงี้ยว่าต้องพิสูจน์ไปคุณคุณเฉยกับการสูญเสียลาภยศสารเสริญสุพหรือเปล่าอคุณคุณเฉยกับการสูญเสียร่างกายของคุณหรือเปล่าคุณสูญเสียกับคุณเฉยกับการสูญเสียของคุณที่คุณนักไปหรือเปล่าของสิ่งที่คุณนักไปหรือเปล่า อันเนี้เป็นเป็นข้อสอบที่คุณจะต้องไปไปพิสูจน์ดู น, นี่เขาไล่คุณออกจากงานคุณเฉยได้ปะนี้ลูกหนี้โกงนี่คุณนี่คุณเฉยได้ปะมั น, น, น, น, ยย น, นมันมีเรื่องหลากหลายเนี่ยคณก็ต้องถ้าคุณเฉ ย, ยได้คุณก็ณมาบวชได้แล้วแหละ ถ้าคุณยังบวมไม่ได้ขนาดคุณยังเฉยไม่ได้คุณยังต้องดูต้องฟังต้องเดิ่มต้องอะไรอยู่ไม่ใช่ะยังเฉยไม่ได้กินข้าววันละมื้อได้เป่าตอนนั้นก็เดินแต่น้ําเปล่าไปทั้งวันได้เปล่มันต้องเฉยแบบนั้นเลยไม่ได้เฉยแบบดูแบบฟังอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะอะไรก็ดื่มเฉยแบบนี้มันไม่เฉยจริงเฉยจริงคนหาเก้าอี้นั่งทั้งตัวแล้วนั่งหกจ็ดชั่วโมงไม่ต้องไปทําอะไรได้เปล่า นั่นแหละให้เฉยแบบนั้น่ะเฉ ย, ยแบบอยู่เป็นสุขเละไม่ต้องทําอะไรก็เป็นสุขไม่ใช่เฉยเพราะว่ายังได้ทําสิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่ถึงเฉยได้พอไม่ได้ทํามันจะมันจะมันจะเฉยได้หรือเปล่าวันไหนวันไหนที่คุณไม่ต้องทํางานลองหาเก้าอี้ตัวห น, นึ่งนั่งเฉยเฉยดูสักทั้งวันเลงไม่ต้องทําอะไรกินข้าวมื้อหนึ่งแล้วกินน้ําบบเปล่าไปแค่นั้นก็พอแล้วก็นั่งอยู่ตรงเก้าอี้นั้นะ เวลาปวดฉี่ก็เข้าห้องน้ำไปอยู่น้ำก็เอาน้ามาตั้งไว้ข้างทางเก้าอี้นั่งนเรนาลองนั่งดูทั้งวันดูเลยดูว่าจะเฉยได้ป่ ะ, ะนั่นแหละว่างเฉยว่างแบบนั้นะอะไม่ใช่ว่างเฉยแบบมีทีวีดูมีของกินอันนี้มันว่างเฉยแบบนั้นมันว่างแบบไหนมันไม่ว่างจริง มันว่างเฉยมันต้องไม่มีอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเฉยแบบอย่างนั้นคือท่านก็ได้ระดับนึง่งอ่ะมันยังไม่เจ็บเลยต้องน่าให้มันเจ็บอีกทีนึงอีกระดับนึงนี่ให้นั่งสบายๆนั่งเก้าอี้ถ่านั่งแบบน่านได้แล้วขั้นต่อมัก็นั่งขัดสมาธิดูนี่ให้มันเจ็บเลยเจ็บแล้วก็ไม่ต้องรู้ขู่กันก็ปล่อยมันก็เฉยไงยว่างเฉยเหมือนเดิมอ เสร็จแล้วก็เอาไปเอาร่างกายไปไปอยู่นั่งอยู่ที่มันน่ากลัวดูที่เปียกๆไปที่ป่าช้าดูดูมันจะว่างเฉยได้ป่ะเฉพาะเฉยเฉพาะร่างกายแล้วจะมีปิดไหลเฉยใช่ไหมครับอาจารย์นี่ไม่ใช่ร่างกายนี่เรื่องของของใจนะที่มันเกี่ยวกับร่างกายอแล้วก็มีหลายแล้วมันมันก็มีหลายเรื่องแหละคนปฏิบัติไปแล้วมันก็ถึงเองเดี๋ยวก็จะรู้เอง ใจมันไม่เฉยกับอะไรมันก็ต้องรู้เองตอนนี้มันเฉยกับร่างกายหรือเปล่าเฉยกับความเจ็บหรือเปล่าเฉยแล้วเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นเข้ามาเรื่องที่มันละเอียดกันนั้นมันก็มีอยู่ในใจเราเนี่ยใจเราอยู่ดีดีันงทีมันก็ไม่เฉยขึ้นมาาเงี้ยทาให้มันเฉยได้แบบ ตัวเองว่าทั้งใหม่เนี่ยว่าจะเป็นทางโลกกับทางธรรมรู้สึกว่าเราจะมีคุณสาบัเยอะมากเลยเกิดก็เลยพิจารณาทบทวนมงคลชีวิตนะครับแล้วบมาลุดุดใจตรงที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่มีศิลปะทั้งในการทํางานแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติในใจด้วยมันมันก็อาจะหมดแรงแล้วนะเพราะพิจารณาต่อไมได้คือว่าเป็นผู้มีศิลปะทางใจตรงนี้นะ เราไม่มีสออติปัญญาตอนกติกาทำอะไรเราก็จะโมโหหน้าเขาบางทีก็โชคเรื่องแล้วก็สำเร็แล้วก็ผล ง, งานก็ไม่ค่อยดีทั้งทางโล ก, กแล้วก็ทางธรรมด้วแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนเนละ่ะคิดว่าเป็นคนที่ใจร้อนสามเท่าคือทําคือต้องเสร็จมันเสร็จด้วยยังไ ง, งะแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนลนะ่ะปัญหาของอยู่ตรงไหนรู้ป่ะ ะปะ เ, เป็นปัญหาหรือล่าก็คิดว่าคิดว่าเป็นปัญหาเหมือนกันเป็นปัญหาไม่มีศิละปะ เ, ปเพราะอะไรเพราะคิดว่ามีศิละปะแล้วจะแล้วจะเป็นยังไงคิดว่าน่าจะทำให้งานดีขึ้นหรือว่าเวลานั่มสมาธิแล้วเนี่ยอาจจะได้เห็นได้เจอได้ได้อะไรดีๆมากขึ้นอย่าเงีว่าบางทีก็คิดว่าเป็นคนนั่งเยอะแต่ว่าเหมือ น, นได้ได้น้อย าการพูดถึงปานาสมาธิมไม่เคยถึงเลยครับทีเรจะเลยคิดมาเป็น อ, อย่างนี้ครับใจคนเลยไม่สบายก็เลยหาทางเพราะไม่ได้เพราะไม่ได้ทางใจอยากปัญหามันไม่ได้อยู่ที่มีศิลปะไม่มีศิลปะไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะไม่ได้ดังใจอยากก็อยากไปอยากมาสิผมจะเป็นอย่างไรก็ทำไปออออ ถ้าเห็นมันถึงผลมันก็ถิดหนึ่ง mm. แต่ถ้าไปอยากมันก็ไม่สบายใจอยากได้แล้วไม่ได้ดังใจมันก็ไม่สบายใจเพความไม่สบายใจมันไม่ได้เกิดจากการมีศิลปะแล้วไม่มีศิลปะเกิดจากความอยากได้ผลพอไม่ได้ผลก็เลยไปโทษเหตุแต่เหตุที่แทจ้จริงไม่ใช่การมีศิลปะแล้วไม่มีศิลปะ เหต่ที่แด้จริงก็คือความอยากถ้าคุณไม่อยากได้สมาธิคุณก็ไม่ต้องไปทาสมาธิให้เหนื่อยถ้าคุณไม่อยากได้สมาธิเดี๋ยวคุณก็ได้เองความอยากได้สมาธิ ม, มันมันกั้นไม่ให้คุณได้อลวงพ่ออรนนท์อยากจะได้บร น, นิพพานก็เลยไม่ได้นิพพานพอเลิอกจากการอยากได้นิพพานก็ได้นิพพาน ไปอ่นบวัติตนนอนหรือ่าตอนนี้มบรรู้อ่ะตอนนี้บรรู้อ่ ะ, อนนอะทํำไมไม่บรรลุอ่ะพระอยากได้นี่ผ่านเนะี่ยพอรู้ว่าไม่ได้มันก็ไม่เอาแนละ้วมันก็เลยได้เข้า <c oughs> ใจไหมงนั้นปฏิบคายเวลาปฏิบัติเนี่ยมันมีความไม่สบายใจอะไรเนี่ยต้องกลับมาดูแล้วว่าปัญหาเราเป็น เกิดจากความอยากของเราแล้อย่างได้ในสิ่งที่มันเรายังไม่สามารถทํำได้ถ้าเราไม่มีศิลปะแล้วก็มาหัดเรียนศิลปะสิทำตัวให้มีศิลปะขึ้นมาสิใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าการมีศิลปะทําให้คุณได้สิ่งที่คุณอยากได้แล้วถ้าเกิดได้ศิลปะแล้วไม่ได้อย่างที่คุณอยากได้คุณจะทำยังไงอ่าให้ตอไป เททเอเหตุก็คือถ้าคุณยังมีความอยากอยู่คุณก็ต้องหาไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่มีความอยากคุณกไ็ไม่ต้องหานะถ้าไม่มีความอยากแล้วคุณก็จะได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้นิพานอยู่ตรงที่ความไม่อยากนะถ้ายังมีความอยากอยู่คุณก็ไม่มีวันที่จะถึงนิพานได้ ในการจะไปถึงนิทานได้ก็ต้องมีมีถนนพานไปคุณก็ต้องคาดสร้างถนนไปถนนก็คือทานศีลภาวนาคุณก็ทำไปแต่อย่าไปทำด้วยความอยายทำไปทำให้มันถูกทำให้มันได้ผลขึ้นมาเวลาทำอะไรบางอยากจะได้ผล บางอย่างได้ผลนี่มันเลยทำให้เกิดเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเวลาไม่ได้ผลไม่ได้ผลก็แสดงว่ายังทำไม่พอก็ทำต่อไปสิหรือทำไม่ถูกก็ศึกษาดูวิธีที่ทำาที่ถูกต้องว่าทำอย่างไรหนังสือธรรมาก็มีธรรมสารุทาเจ้าก็มีมาา ก, ก็ศึกษาไปสิแต่มันชอบทำแบบไม่ตรงกับที่พุทธเจ้าสอน แล้วก็อย่าประหยัดจะได้ผลตามที่พระเจ้าได้มันไม่ได้ต้องดูพระพุทเจ้าเป็นตัวอย่างท่านสอนอยังไงท่านทำอย่างนั้นอย่างจะได้สมาธิก็ไปบวชด้วยคุณไม่ยอมบวชแล้วมันจะได้สมาธิยังไงทำสมาธิวันละสี่ชั่วโมงกันคนที่เขาอัปปนาณ น, นี้ก็ทำตั้งแต่เช้าถึงหลับตั้งแต่ตื่นจนหลับ ความอยากมันไม่ได้ทําให้เกิดผลการปฏิบัติการกระทํามันที่ทําให้เกิดผลคุณปลูกข้าวหนึ่งไร่กับคนที่ปลูกข้าวสิบไร่นี้ผลของใครจะมากกว่ากันนะฮะคุณนั่งสมาธิวันลันนึ่งชั่วโมงกับคนที่เขนั่งสมาธิทั้งวันใครจะได้ผลมากกว่ากันแล้วนะคุณไปอยากได้ผลของคนที่เขาทาแบบนั้นแต่คุณไม่ทําแบบนั้นคุณจะได้เมื่อไหร่ แล้วมันต้องดูเหตุที่ตัวเองไม่ใช่ไปดูเหตุของคนอื่นดูผลของคนอื่นแล้วก็ไม่ดูเหตุของตัวเองว่าเหมือนกับเหตุของเขาหรือเปล่า<ม>เราชอบวัดตัวเราเอาไปวัดกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหรันต<ม>์แต่ตัวเราก็ยังเสษการมอยู่ยังเที่ยวยังเล่นยังกินยังดื่มอยู่ยังหาความสุขทางตาหูจมูกนิจกายอยู่<ม>ส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหรนันต์นี่ท่านไม่เสกการมแล้วท่านเลิกแ แล้วมันจะผลมันจะเหมือนกันได้ยังไงกอเกี่ยกอที่ะอนคอตอนนั้นก็คือ้านักปฏิบัติก็ปฏิบัติองภาษาเก็มานั่คิดว่าตอนนั้นภาษาก็ก็ยังไม่ได้เลยเกือบได้แต่มันก็ไม่ได้เลยก็ทำให้ทำต่อและ น่าไม่กลับในหมวดใหม่อะถ้าอยากได้คือช่วงที่สองาที่ผานมาุกมาตการต่านก็ัญนียก็จริงจก็หายไปช่วงใหญ่ๆก็จากทุกครั้งนี้เราก็ย้อนกลับมาปิบัติแล้วก็ทึโาได้นกับผ้ายโดยทำ้าแก้แล้วมันกข้างเแล้วครันี้พอพอทกเรื่องคาย มันก็เหมือนจะจะเร่งคนเหมือนกันนะว่าการแต่เราก็พยายามตั้งใจว่าช้เ่างชั่วโมงจเปนช่วงน้มนกิก็อยากกลับมาบวกแต่ตอนนี้ก็รักผแล้วก็อรอกรมาดเข้าปอืเนทุอะไรปนาเอครับอ่าเรียนทายงไหนทางวิศวกรรมยครับอ่เรียนที่ไหนเรีที่วิศมเส้นครับ ประาศผาตัารอดแล้วพก็ต้องตกมากเราต้จัดการที่นอกะบวชพอพอเตอมาเ้าก็อยากบวมบ้างจากนั้นก็ไ น, น, นัิด น, นี่เราก็ทล้วเสร็จตอนยั้ก็ไม่อน mm hmm. แลวสามพันจางเาต้องผ่าัดนี่มันก็ติดยากเรากว่าว่ก่อนเราอยากได้อะไรเราต้องอค้มอยากัก การท า, ทาก็ต้องมีความอยากเหมือนกันแต่ว่าให้มันอยากในเหตุจะไปอยากในผลให้ทำมากๆแล้วผลถ้าเกิดทำอยากได้ผลก็อยากได้ก็ถูกแต่วมันต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้มั น, มนเกิดผลขึ้นมาแล้วทาที่เหตุนั้นมีแต่ยากอย่างเดียวแล้วทำผลไม่ถึงมันก็ไม่ได้ผลทำเหตุไม่ได้ไม่ได้ถึงมันก็ผลมันก็ไม่ถึง งั้นต้องดูที่เหตุเป็นหลักอยากอะไรแล้วก็ต้องดูว่าแล้วเราสร้างเหตุให้มันเกิดผนขึ้นมาได้หรือเปล่าใช่อย่างคุณอยากจะจบปิญญาเอะคุณก็ต้องไปโรงเรียนไปเรียนนะถ้าคุณอยากจะเฉยแล้วคุณไม่ไปคุณจะมีวันได้ไหมล่ะใช่ไหมตอนนี้เหลือกี่วันเหลือกี่ปี่ล้วใชปปวใ้ทุนแล้วเหรอนี่ใช้ไปอีกหนึ่งปีกว่ า, วาจบแล้วเหรอจบแล้ว ทำไมต้องใช้เยอะกันสองต่อหนึ่ง<ห>นะ ใ, ใช้ตัวหลวงไ <ừ. S 1> ค่แต่ตอ น, นที่ปฏิบัติที่ทางน้นก็เหมือน จริงเหมือนไม่อาสจรยามก็จาจํามที่เราทุกข์มาเรานั่งไปั่งมาหายเราเราเครียดเมันมีนอกจากเรื่องเงินมันมีเรื่องเข้ามา<ไ>มหาปเพราเราไม่หยุดหยาม<อ>ถ้าหยุดหยามมันก็จะไม่มีเรื่องเข้ามา<อ>มมก็ยังดียังรู้จักวิธีแก้ก็แก้ไปเวลามีปัญหาก็แก้ไปตอนสองที่ฝึกให้เป็น สราไปฟังเราไฟเรยนูนนนานตรก็ อ, อยมังช่วยใทวให้เป็นเหมือนปตพีพรเจ้าบทำใจให้เหมือนปัตพีใครจะทาอะไรกับแผ่นดินแผ่นดินเม่นสะทกสะานใครจะขุดใครจะเจาะใครจะเอาขยะไปทิ้งใครจะฉีใครจะ บุจาระใส่แผนดินแผนดินมันรับได้หมดนี่กลับมาทำงานงานันเละทำที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นี่เลยทำที่มิตรหลายกเกษตรแต่อยู่ที่สกลนครอ๋อเป็นสาขาเลยเป็นสาขาเลยกอบจึงเป็นใช่ครับเป็นทางการาถิติเกษตรจำเป็นลระจกที่กเกษตรคณะวิศวกรนะวิศวกรรม ที่พิเกษสกลนครครับอ๋ อ, ร, อรู้จักอาจารย์ที่กเกษตรใช่ไหะที่มองกเกษตรที่บางเขนใช่ไหมผมเรียนจบปริญญาโทที่กเกษตรบางเขนครับก็อย่้ได้ไปเป็นอาจารย์ที่นั่งการับชมในป่าก็มีคนหนึ่งมาบวชที่นี่เขาก็ไปทํำปริญญาเอกที่มืงองนากเหมือนกันพ่อเขาเคยเป็น อ, อธิการบดีรู้จักไหย เขาก็เขาก็ทาวิศวกรวิทำปืนอะไเอีกทางทางวิทางโยธา น, นกันตอนที่เ็าจะไปเขาเคยมาบวชอยู่ที่นี่เป็นยาแล้วเขาก็ไปเคยทำแล้วตอนนี้เขาก็สอนอยู่ที่เกษตรเดียวนุ่นก่อนคนนะ่ะนุ่นเกษยอมากกว่าคนเกษตรศาสตร์ค่อนข้างใหญ่ครับอ๋อใหญ่นะอะ ไม่ได้ไปไม่ได้สารที่ที่บางเขนเขาเขาส่งไปเน้ ว, ว่าเราสมัครไปก็สมัสมั่งใจไปเองด้วยครับ เ, เพราะว่าตอนนั้นตอนที่ได้ไปบวชรู้สึกัทธาพการที่นามาับก็อยากได้ที่ไหนที่้ที่นตอนนี้ก็เลยอยู่ที่นั่น ที่ดบีท่า น, นก็ได้รับได่รับยากโยมเลยสามเดือนท่านก็ปริญอืมที่อาเคสอนเต็มสอนระดับปริญญาอย่างนี้เลยข อ, องมหาลัยเกษตรเลยครับก็มีปมามา ร, ริญญาูกบ้อืมีกี่คนะเลยมีตอนนี้มีสามนาคนะสามค เป็นสร้างขึ้นมาสร้างเลยยี่สิบปีครับ ม, มีวิศวะแล้วมีอะไรมีวิศวะมีทางบัญชีทางบริหารแล้วก็ทําเกษตรแล้วก็ทําอาหารเป็นต้นนะครับโดยหลักก็จะไปทางเกษตรโดยหลักก็คือเขาตั้งใจสร้างให้เป็นทางเกษตรแต่ว่าปัจจุบันคนเราไม่อยากเป็นเกษตรแล้วครับอืเขาก็จะมาเรย อาจารย์สปปคำวิเศษนะครับเขาไม่ลองไปดึกันการที่มาแจะขึ้นเงินนี่เต็มที่ให้ทางเกษตรสองสมวันให้ทางเกษตรคนอยากทำงานออฟฟิศทำาไอย่างทำงานโรงงานมากกว่านะไม่อยากจะอลงดึง กาเกษตรเนี่มันก็กลายเป็นอุตสาหกรรมไลยนะกลายเป็นเป็นอุตสาหกรรมเกษตรไปชาแนลจะไล่คนที่ทําสู้เขาไม่ได้สู้ราคาสู้อะไไม่ได้ค่าใช้จ่ายต่างกันอุตสาหกรรมนี่เขาแบบลงทุนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเรื่องไก่นี่เขาเลี้ยงกันเป็นเป็นร้านตัวเราไปสู้เขา ไ, ไม่ไหว ราคาเขาช่วยเขาไม่ไหวแล้วขอที่ัทใหญ่ๆนะที่เขาไปริทตอยู่เขาใช้เครื่องจักรใช้วิจัยใช้พวกด็อกเตอร์มาวิจัยเสร็จแล้วก็ จัดระบบใช่ไหมแต่ะระบบก็วิศวกร อ, อะไรอย่านั้นงันเกษตรก็ตะกรอนก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องมียุคนี้มันเปลี่ยนไปนะการกระ ท, ทาการเกษตรไม่เหมือนสมัยก่อนนะที่จะต้องลงไม้ลงมือเองอยันนี้มันเป็นเครื่องจักรไปหมดนะครับถามีใครอยากจะถามอะไรทั้งนี้ เรามาจากประเทศจีคปรทจค่ะองจบดูมไทยล้วกำลัจับที่ไหนจบที่นี่ค่ะนิทรรที่ไหนเอ่อนอตกรุงเทพนอกรุงเทพข้ามนกป็นภาษาเก่งเลภาษาไทยค่ะก็เรีนภาษาไทยได้ไหมมีนอตกรุงเทพด้วยนกรุงเทพเหนือเลมีสะพานใหม่ค่ะมีสะพานใหม่ดอนเมืองะ สระไห่แล้วก็ล้างศีลด้วยองพิาเยเถมภาษาไทยหนูเนภาษาไทยได้ไงอ่านออกได้ไงได้ค่ะมาอยู่กี่ปีแล้วปีแล้วค่ะปีแลตอนการเรียนปทอยู่ปทด้วยกําอยู่ในอกรทไมถึงมาเรียนที่เมืองไทยอ่ะทาไมถึงมาก็เมื่อก่อนอยู่บ้านรจินจะเป็น เอกภาษาไทยแล้วก็เป็นเลือกเปลี่ยนเข้ามาโรงไทยอ๋อเคยเรียนไทยมาก่อนเราอยากจะมาเรียนเพิ่มมากขึ้นล้วจบเราจะกลับไปโรงจีนหรือเปล่าจริงๆแล้วคือว่าจบปีนีแล้วจะทางานแล้วกลับเพื่อนก็ลงเรียนสองภาษาไทยจีนอังกฤษที่โรงไทยก็ตอนนี้ก็เลือกตแล้วค่ะตอนที่คุยเรื่องเือกก่อนเรื่อง เกี่ยวกับเธอคนแลน้วตนนีคนยไม่คไม่ต้องการเพกับปัญหาเยอยขึ้นแล้วนุก็เกิดพ่อลาออกแล้วตอ น, นี้โรงเรียนเพ่ปิดได้หนเดือนค<อ>่ะครบหนึ่งเดือนลาออกนะค่ะแล้วู้ชัยเรงแล้วก็เพ<อ>ื่อนจะออกงิช้รเพื่อลงทุนแล้วตอนนี้คุไม่ได้ต้องการแล้วก็ลาแล้วตอนนี้ก็ยังเรียนก็ทออยู่ อต้ อ, องลาออกได้3มวันค่ะแล้วช่วงนี้ไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเรียนแต่หนูก็มาอยาว่าัวทีนี่ค่ ะ, ะรู้จักที่นี่ได้ยังไงเคยมีเพื่อนคนไทยพี่คนหนึ่งถามาถามว่าเอ๊ะพี่หาหนูอยากไปที่วัดออสแลนอาทิตย์เออหนูไม่หนูไม่รู้ว่าจะเป็นบวชเออพี่ก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรพี่จัดการให้แล้วพี่ก็พางมาที่นี่ค่ะอะและที่ทํางหมดเสื้อผ้อันนี้ก็พี่จัดการให้ะล้อ มาอยู่ได้กี่วันนะวันนี้วันที่สองค่ะวันที่สองเราชอบไหมอืมหลายเรื่องไม่รู้ค่ะไม่รู้เรื่องนาไม่รู้เรื่องแล้วบวบททำไมก็ต่คิดว่าไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วมาที่นี่อะไรตอนที่นี้ว่ารู้พุทธศาสนาไทยเป็นไงบ้างรู้แท่งหนังสือ แนลมุสของเราด้วยลองอ่านดูลองอ่านดูอ่านเข้าใจไหมเราจะเข้าใจภาษแบบนี้เรเข้าใจค่ะเป็นเหมือนส่วนบนญจะไม่เข้าใจส่วนบนไม่เข้าใจเพรานั้นภาษาบาลีคนไทยก็ไม่เข้าใจนิดหนึ่งยอดสวยกันไปอย่างงั้นแต่ไม่มีใครไม่มีใครเข้าใจความหมายกันหรอกคิดว่าขลังเนี่ย เวลาเอาาที <ME rings> well ่โรงเรียนกับเครื่องตัดเพลค่ะค <ways> <m ig les> <ificar> ือเราหนูนก็ยังต้องเรียนโปโทอสองปียังต้องอยู่ในเมืองไยสงปีเาจะไม่รู้ว่าการทำอะไรไ้จบไปอยู่ในเมืองไทยเราอยู่บมืองไทยได้วีซ่าเหรอเอตอนีวีซ่าเป็นนักศึกษาอะอ๋อแล้วเป็นยังเป็นโปรทอ๋อถ้าเรียนนั้งสองปก็อยู่ได้ถ้าจบแล้วทาก็ต้องกลับบ้านงต้องกลับบ้านเจอก็ยังอยากอยู่ในเมืองไทนเมืองไทย ชอบเมืองไทยไห ะ, ะมีญาติพี่น้องไห ม, ม อ, อยู่ที่เมืองจีนมาจากมาจากเมืองไห น, นกวางสีค่ะกวงีก็อยู่ทางไหนท่ทางใต้ค่ะทางใต้ไปทางเซี่ยงไฮ้หรือเปล่าไม่ใช่เซี่ยงไฮ้จะไม่ใช่ทางเซี่ยงไฮ้ทางกวางตูงต้ ง, งใกล้กับใกล้ฮ่องกงอย่างนั้ น, นะไม่ไม่ใกล้นะ าไมกกองไกกวางตุ้งไกกวางตุ้งเราอยู่เนือติดกับกวางตุ้งติดทางเหนือทางทางใต้ทางใต้ทางใต้มาทางเมืองไทยเลยว่าใต้ใต้ใต้ของเหนือของกวางตุ้งอยู่ข้างใต้แล้วอยู่ข้างบนอยู่ข้างเหนืออยู่จากห้องกงไกลเชกวางสีไกลค่ะที่กวางี ติดเก่าเลื่อนนามค่ะอ๋อติดก่าเลื่อนนา ม, นา ม, มไม่ติดทะเลมีทะเลปะ่ะอมีเมืองมีทะเลค่ะเมืองมีทะเลไหมเราก็ยังอยากอยู่ในเมืองไทยอไม่อยากไปเสี่ยงค่้ไปปากถึงเมืองไทยคิดว่าวัฒนธรรมไทยทําให้คนสังคมก็คุได้ง่ายกว่าอ แเราต้องอยู่ในามืองไทยสองปีแล้วก็ถ้ากลับจะยังยังอยู่สองปีเราก็ชินที่นี่ละกลัวนิดเรียวค่ะกับเมงจีนแล้วไม่ควบคุมกับสังคมงตรงนั้นไม่นักไม่ค่อยได้คนที่เมืงจีนไม่ค่อยมีไม่มีมารยาทอ่ะเพราะคนจีนคนเยอะค่ะคนเยอะอะไรไม่ไม่เรียบร้อยน่ะอนี่ เศรษฐกิจคือมองจีนดีกว่าไทยเลยไทยที่วัฒนธรรมแล้วว่ะคนไทยใจดีกว่านะคนจีนใจร้อนเนะีอยใจดำใช่ใช่ค่นะคือ <laughs> <c ười> คนเยอะนิเดียวแล้ว่าทำอะไรก็ต้องแย่งกันันาคนไทยไม่ก็แย่งกันนะ แล้วเมื่อกี้นั่งฟังนี่รู้เรื่องคุยกันนี่เราจะเข้าใจอะไรบ้างหรอป่ามีอะไรอยากจะถามหรอเปล่าไม้ ม, มีฟังไปก่อนฮะแล้วชีสชายนี่คนนี้เขาก็มาจากสิงคโปร์เปคนจีนกัน ภาษากลางได้ไหมได้ไหมก๋วย จ, จี๋ก๋วยจี๋มาอยู่บางไทยนั้วแต่กี่ปีแลสอ ง, งปีเลยมาเรียนเป็นนักเตีก่อนจบตีแล้วก็ต่อโถแล้วจะต่อเอกก็แบบ อยู่ในมูลไทยไปเรื่อยๆคือก็สลายก็เรียนไปเรื่อยๆร้นที่มหาวิทยาลัยนี่แพงไถ้าเราเรียนตัวโตตอนนี้ดีลทั้งหมดจประมาณแนถ้าเปรียบเทียบกับที่เมืองจีนใทยจะถูกกว่ากันไทจะแพงกว่ากันก่ากันเมืองจีนเข้ายากเข้ายากก่ที่กวางสีก็มีใช่ไหม แล้วใครส่งมาให้เงินพ่อแม่เนี่ยที่บ้านหาเอคระหาเองหาที่เมืองไทยนี่เลยทำอะไรอ่ะเมื่อก่อนเรียนฝันญาซีก็บางที่เป็นไกด์แล้วก็ไปแอร์คาแล้วบางที่ใเป็นคุณมีเวลาไปไปทํางานพร้อมกับท่องเรียนหนังสือไหมหรือทำงานเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เหร อ, อแล้วมีเวลาดูหนังสือ คนาหไปทำงานเยอะกว่าเรียนค่ะแล้วคนแนนดีั้ยเกรดดีไหมงานแบบงาแบบนี้ไม่่ออบครับไม่ถึงการเรียน่การเรียนคอแนเหรอเกรดดีั้ยคะแนนดีมั้ม3 3จุดกว่าไนงะสาจุดกว่าก็ดีเด็ทำสุดท้ายได้สองสุด้า ตอนนี้เรียนปัญญาโทได้งานหรือยังอโทยังไม่ได้เรียอ่สาอสมัครแล้วรเรียนทางไหนการจัดการธุรกิจ่นี้นะ NBA ป่ะดีน า, นนานได้เจอของแปลกๆ ก, ก็ดี <c oughs> ตอนที่อ <surely> ย <understanding ghosts> <old> ู <tattoos> ่เ <cowork> ม er ืองจีนงใครมาเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตอนที่อยู่โรงเรียนมัธยมเลยไ i g h s c เป็นมหาลัยเหมือนกันค่ะเป็นมหาลัยแล้วเหรแล้วก็เอกภาษาไทยอยู่ในเมืองจีนเรียนสองปีที่สุดแล้วก็เข้ามาเมืองไทยอื ไปสุดท้ายก็มาเรียนเมืองไทยเนป็นญาตีที่เมืองไทยไอโครงการแลกเปลี่ยนนะววันทรว่าวถ้าช่วงเวลานี้หนูยังพางานด้ไหมคะแต่จะนอจะเราเป็นหมอดูเพวนหนูก็ลาออกจากโรงเรียนแล้วงแล้วเตรียมเตรียมตัวไปโ ร, รงเรียนประมาณ ค่าเดือนค่ะถนงเรไม่ได้ไปทำาย่างอื่นได้หนูเคยทำเป็นไกด์ก็ไปหางานไกด์ทำต่อได้งั้นคนจีนมาเที่ยวเยอะแยะเลยก็ต้องหาในสิ่งที่เราหาได้ไปก่อนเรื่องงานไกด์จะไม่มีความเรียวว่าแล้วนะอนาคตเด้ออนาคต งานก็ยากจะทํางานบริษัทแหละทํางานธนาคารนี่ส่วนใหญ่ถ้ายังเรียนหนังสืออยู่นี่ทํายากนะเมืองไทยก็ไม่ได้เขาให้ทํางานเต็มเวลาจะไม่มีเวลาไปเรียนนอกจากเสาร์อาทิตย์คนที่ทํางานแล้วไปเรียนนี่ก็ต้องไปเรียนแบบเสาร์อาทิตย์สุสโคไทยสุโคไทยธรรมะที่แรกเลยอะไรก็มีมหลาลัยที่เรียนเฉพาะช่วงคนหยุด แต่คนไม่มีไม่มีใบอนุญาตให้ทํางานเต็มที่เห็นไหมถ้าทํางานบริษัทนี่เขาจะต้องมีใบอนุญาตถ้าทํางานกับบริษัททัวร์นี่ไม่ต้องมีก็ได้ก็ทําไปก่อนทําให้มันจบแล้วก็หางานอันนี้คิดว่าเป็นช่วงที่หางหาทำงานไปเพื่อสนับสนุนการเรียนหนังสือไปก่อน พอเรเียนจบแล้วพอมีปริญญาก็ไปสมัครงานตามทำงานตามธนาคารก็ได้เรารู้จักสองภาษาก็อาจจะมีประโยชน์บางทีธนาคารของของไทยอาจจะมีสาขาอยู่เมืองจีนอาจจะส่งให้ไปทางานที่เมืองจีนน็ได้อันนี้เอาเรียนให้จบก่อนอ น, นาคตเอาใกล้ๆแค่นี้ก่อนเอาให้จบปริญญาโทก่อน น้อยค่น้อยคว่าไปอีกทีจบแล้วก็หางานถ้าเรามีความรู้ความสามารถก็หาได้ง่ายเรียนให้ได้คะแนนดีๆอะไรแต่อย่าไปอยากมากจนเกินไปความอยากจะทำให้เราไม่สบายใจทั้งใจให้เป็นกลางได้ก็ดีไม่ได้ก็ดี ไม่ได้ก็เป็นไกด์ต่อไปขอให้มีข้าวกินก็พอแล้วไม่อดตายก็ใช้ได้แล้วแล้วชีวิตเดี๋ยวมันจะดีขึ้นไปเองถ้าอยากแล้วมันจะเครียดมันจะทุกข์้วได้เท่าไหร่ก็จะไม่พออยงนะี้พอได้อย่างนี้แล้วก็อยากจะได้อย่างนั้นต่อได้อย่างนั้นก็อยากจะได้อย่างนั้นต่อมันก็จะอยากไปเรื่อยๆทำใจไม่อยากดีกว่า ได้เท่าไหร่ก็โอเคได้ทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ดีได้ทางนั้นก็ดี mm hmm. ขอให้อยู่ได้ก็พอขอให้มีข้าวกินมี mm hmm. มีเสื้อผ้าใสา่มีบ้านอยู่ก็พอแล้ว mm hmm. อยากไปวันอยากจะล่ำอยากจะรวยอันนี้มันจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่ mm hmm. อให้รวยเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขเพราะยังอยากจะรวยมากกว่านั้นเลยนั่น mm hmm. ต้องคอยควบคุมความอยากไว้ แล้จะมีความสุขมีมากมีน้อยก็มีความสุขได้ความสุขไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อยอยู่ที่อยากมากยิ่อยากน้อยอยิ่งอยากมากความสุขยิย่งน้อยยิ่งอยากน้อยความสุขยิ่งมากเอาตรงนี้อข้าใจไหมครัเอ่อหัห<อ> ต่อเลยอ่าทอยขึ้นมาเลยขึ้นมา็กก้าท้ามาก็เดี๋ยวนี้แรกบาอ๋อกแบบอาาอย่างหนูนู้ให้คลกับพี่คนนีค่ะคือยังใช้ทุนอยู่อ่มาใช้่เลยใช้ไม่ก่อนว่าหาเงินใช้เข้าไปหาเงินแล้วสัญญาใจนี่มันจะผิดต่อเขาไหยคะเขารู้สึกว่าเราเอาทุนเขาไปเรียนล้ว ก็คุยจะต้องกลับมาให้เขาให้คบเนี่ยค่ะถ้าไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดจนไม้ไม ก, มก็ไม่มีปัญหาอะไร ญ, ญ้าใจมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่เห็นเลยขาก็คือคือพลิต ค, คนที่เรียนสาขาเนี้ยก่อนหน้าที่หนูจะกลับมาเนี่ยออกไปกันเยอะอก็เลยเราก็เลยกันโดนโดนเพ่งเลงค่ะว่าจะตามเขาไปอีกหรือเปล่า ก็ถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องของการรับปากรับคํามันก็เหมือนกับการผิดสัจจะมันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่เรารับปากเขาไว้เราก็ต้องรักษาคําพูดเขาไว้แล้วนอกจากสามารถทําความเข้าใจจนกระทั่งเขาเห็นใจเราแล้วอปวดเราจากคํามั่นสัญญานั้นก็ก็ไปได้แต่ถ้าก็ยังหวังพึ่งเราอยู่อย่างนี้ ในเมื่อเขาให้เราเพึ่งเราเอาตอนนี้เราก็ต้องให้เขาเพึ่งเราแล้วก่อนเขาเราเพึ่งเขาตอนนี้เขายังต้องพึ่งเราอยู่ถ้ามันเป็นความมั่นสัญญาที่ให้ต่อกันก็ไม่ควรที่จะต้องรักษาสัจจะไว้สัจจกะก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งกันจนจนครบเวลาที่เราเคยสัญญาเออมันจะได้สบายใจ เวลามาบวชมันปฏิบัติมันจะได้ไม่มีอะไรข้างคาใจ <c oughs> แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วพอดีไม่ไม่ได้มาที่นี่ก็เลยแต่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะถือศีลนะคะก็เลยไปที่หอตัวเองที่อยู่ ใ, ใกล้ที่ทํางาน <c oughs> แล้วก็ลองลองภาวนา <c oughs> ก็คือไม่จะทำทำเหมือนที่พระอาจารย์สอนให้ทำที่นี่นะคะ่ะ <c oughs> ก็คือถือศีลแปดแล้วก็ภาวนาทั้งวัน <c oughs> ก็คือเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิ <c oughs> วัน คือเราทําตั้งแต่วันธรรมดาเลยค่ะก็คือตอนเย็นหลับเลิก ง, งานก็กลับไปทำช่วงแรกๆนี่โอ้โหหนักมากมันทรมานคือพยายามไม่ไม่ใช้โทรศัพท์เลยด้วยค่ะอันนี้ก็ยิง่งยิ่งหนักแต่ว่าก็คือทําให้เราเห็นเลยว่าเออการที่เราไปติกโทรศัพท์เนี่ยมันทําให้เราปฏิบัติได้ได้แย่ลง เ, ออเพราะว่าเวลาที่สักพักไปเปิดลแล้วสักพักไปเปิดลแล้วค่ะแล้วพอพอทนทน ถ้าพูดง่ายจริงเหมือนพรทรมาเลยดูสักสองสามวันเนี่ยมันก็หายมันก็ดีขึ้นความอยากมันเบามันก็สบายค่ะแล้วก็มันก็กลับกลายเป็นมากเราก็ภาวนาได้ดีขึ้นนะคะมันก็พอมีความสงบให้เห็นผลมันก็เลยรู้สึกรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็กลายเนว่ากิเลสบางอย่างที่เราเคยคิดว่าไม่น่าจะตัดได้ง่ายๆก็ที่มันตามตามเรามาประมาณกีหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เราภาวนา ได้ได้ช้าลงเนี่ยค่ะมันก็กันว่ามันเบาลงมากอก็พยายามตัดมันแต่ได้ยยากบ้างง่ายบ้างยากก็ใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าเราพยายามสู้ก็มันไปได้เรื่อยเดี๋ยวทั้งวันนึ่งมันก็แพ้เราไปคราวนี้พอพอจิตใจสงบแล้วก็มันไม่อยากคุยกับใครพอกลับมาทํางานซึ่งซึ่งเป็นหมอมันต้องคุยกับคนไข้มันลำบากเลยครับก็เลยต้องพยายามเดินสายกลางที่สุดคือ ถึงเวลาคุ ย, ยอกยอคุยคุยไปตามทางวิชาการค<ะ>ก็คุยได้เนีย่ยเป็นภาพเนี่เราก็ต้องคุยกเน<ะ>ถึงเวลาคุยก็คุยถึงเวลาไม่คุยก็ไม่คุยถึงเวลาไม่อยากจะเจอใครวันนึ่งนี้เราเจอสองรอบพ อ, พอแล้วเนี่ย <c oughs> รอบเช้ารอบรอบบ่ายรอบนีบ้<ะ><ะ>แล้วก็กระทั่งที่บ้านก็เหมือนกันพอกลับไปบ้านก็เหมือนแบบก็ไม่อยากคุยกับ คุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้อเครียดหรืออะไรก็ต้องทักทายกันหน่อยทักคุณแม่คุณพ่อสบายดีไมอย่างนู้นอย่างนี้หาข้าวให้ทานนะแล้วก็คุยคำสองคาแล้วก็ปิดตัวไปอาใช้เงียบจนกระทั่งมันมันอย่างที่เมื่อกี้คุยอาจารย์ะรู้บุคคลรู้การรัเทศะรู้สังคมนะอยู่กับคนมันก็ต้องมีการอสนทนาปลาสายนิดนิดหน่อยหแต่ไม่ไปคุยเพิร์เจอร์ไปอะไร ทักทายกันก็พอแล้วสบายดีไหมวันนี้ทำอะไรมาหรือเปล่าแต่ mm hmm. แล้วก็ขอเปิดตัวไปทำทุระของเราแล้วก็มีอย่างนึงที่เห็นชัดเลยหลังจากนี้เราไปาณนาช่วงสองวันที่ผ่ามาเนี่ยค่ะก็คือความอยากกิน อ, อยากในแบบรสชาติาของอาหารต้องพิจารณาอาหาเลยปฏิกรรสัญญาดูสภาพของอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้อง ที่เวลาถ่ายออกมาให้เห็นอย่างนี้แนละ้วมันจะตัดไปได้เยอะนี้คือเราพิจารณาตั้งแต่ตอนที่เราออกจากสมาธิเวลาไหนเลยฝึกไปดูไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆก่อนเวาเดินผ่าน KFC ดูมันดูระบบการทางเดิอนอาหารเลย <c oughs> จ, าจากจานไปสู่โถสโถส โ, โ, โถจระนี่ยนะดูให้มันเห็นครบกระบวนการแล้วทุกครั้งเวลามันอย่างมันจะเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่อยาก ถ้าแรกๆถ้าเกิดเรายัางตัดไม่ได้ด้วยปัญญาคือมันก็ต้องใช้ความตัดใจด้วยใช่ไหมครับก็ต้องใช้ขันติสู้ไปเน้ใช้สติพุโทโธไปก็ได้อย่าไปคิดถึงอาหารดึงใจอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องอาหารถ้าไม่มีปัญญาดูดูความไม่น่าดูของอาหารก็ใช้สติดึงใจกลับมาก่อนใช้พุโทโธพุทโธไปตอนมาก่อน ก่อนหน้านี้จะจะอยากภาวนาเพราะว่าอยากจะให้ผลมันเหมือนเดิมมันก็เลยทิพาจันเทเออ <c oughs> ก็เลยไม่ได้แต่ว่าคือพอสองสามวันมันนี้คือรู้สึกดีที่ว่าเราอยากภาวนาเพราะว่ามันมันอยากภาวนา เ, เพราะว่าอยากจะเดิน อ, อ, อยากจะนั่งไม่ไม่ไม่ิด้ ไ, เ, ไ เ, เ, เพ่งเล็งใช่อย่าไปหวังผล <c oughs> ขอให้เราขอให้เราได้ภาวนาได้ปฏิบัติไปก็แล้วกันส่วนผลมันจะเกิดมากน้อยก็อันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอน ก็ให้พอใจกับผลที่เกิดขึ้นให้พยายามทำเหตุให้มากเหมือนกับเวลาไปขายของเนี่ยบางวันก็ขายได้เยอะบางวันก็ขายได้น้อย<บ>ก็ขอให้ไปขายทุกวันก็ดีกว่าไม่ขาย<บ>ก็ขอให้เราภาวนาไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ภาวนา<บ>ไ่ใช่ภาวนาก็าต้องได้ขนาดนั้นขนาดนี้ขึ้นมาพอไม่ได้มันก็ท้อ ถ้ามันก็ไม่อยากภาวนาขอให้เราคิดว่าการได้ภาวนานี่ก็เป็นผลอย่างหนึ่งแหลคือระหว่างการไม่ได้ภาวนานกับการภาวนาเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันละถ้าไม่ภาวนานี่ไม่มีวันที่จะได้อะไรเลยถ้าภาวนานี่อย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะได้ถ้าไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้สร้างฐานของผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปตอนนี้เราได้แล้วไ ด, ได้ได้มีการกระทาแล้ว ถ้าเราทําไปเรื่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปมันจะทําง่ายขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยให้คิดอย่างนี้เราต้องสร้างเหตุขึ้นมาก่อนแล้วผลมันจะตามมาเหตุบางทีเราไม่มีอ่ะเราอยากได้ผลแต่เราไม่อยากภาวนาไม่อยากปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบฝืนๆขัดๆนี้มันก็ไม่มีผลขึ้นมาเน้นต้องพยายาม หัดปฏิบัติไปเรื่อยๆสร้างเหตุไปเรื่อยๆก่อนหัดทำเหตุให้เป็นก่อนเมื่อทำเหตุให้เป็นแล้วตอไปผลมันก็จะเกิดเงใหม่ๆเหตุเราอาจจะแบบล้มลุกคุก ค, คานถูกบ้างผิดบ้างเพราะเราไม่ชำนาญแต่ถ้าเราทำไปบ่อยๆเข้ามันก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมาเหมือนตอนที่เราหัดขับรถใหมๆ่ๆเราก็ขับไม่ไม่เก่งใช่ไหมขับไปเรื่อยๆตอไปมันก็ชนานาญ พอขับชำนาญล้วที่จะให้ขับให้รถไปทางไหนไปเร็วช้าขนาดไหนก็ทำได้อย่างง่ายดายเอนขอให้เราถือว่าการได้ปฏิบัตินี่ก็เป็นผลอั่นหนึ่งแล้วเ mm hmm. มื่อมีการปฏิบัติไปเรื่อยๆความชำนาญมันก็จะเกิดขึ้นแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นจากความชำนาญ น, นี่แหละเ mm hmm. ั้นพยายามทำไปให้ดูที่เหตุไว้อย่าไปดูที่ผล ใจ ช, ชอบดูที่ผลแต่เหตุ น, นิดเดียวลงทุนร้อยบาทจะได้กำไรล้านหนึ่งไม่มีวันฝากเงกินร้อยบาทจยงเี้ยให้ดอกเบี้ยเป็นล้านมันไม่มีทางอยากจะได้ดอกเบี้ยเป็นล้านนมันต้องฝากร้อยล้านนู่นขอให้ดูเหตุไว้พยายามจเจริญเหตุให้มากๆปลูกข้าวปลูกหนึ่งไร่กับปลูกสิบไร่มันต่างกันไหมใช่ม ปลูกสิลูกหนึ่งไร่แต่อยากจะได้ผลเหมือนคนที่เขาปลูกสิบไร่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าดูจากปริมาณการทำในวันวันนั้นกับวนนันที่เคยทำ ม, มันต่างเด้เอมันก็เลยต่างกันคนมันก็ต่างกันค่เพราะว่าก็คือนอกจากเวลานอนห้าชั่วโมงเวลาอาบน้ำแล้วเวลากินข้าวแล้วก็เดินจรงกลมกับนั่งสมาธิตลอด โดยนนั่งเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเดินไม่ต้องอะไรนั่งมันเฉยๆสู้กับความอยากไปบ้างก็ได้เันอยากจะเดิ น, น ก, ก็ไม่มทำอะไรไม่ได้เลยแต่เวลาถ้าความอยากมันยอมแพ้นีใจจะเบาจะสบายบางทีเราถูกความอยากกดดันนั่งก็อยากกะลุกเดินก็อยากจะนั่งก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่เงี้กไ็ไม่ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะกําจัดมันได้ทันที ถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเรานั่งสมาพิธไปแล้วเมื่อยอย่างีบางทีให้ลองทนนั่งดูก่อนเหมือนเดิมถ้าถ้าทนได้ถ้าถ้าทนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่งแบบขยับขาก็ได้ขยับแข้งใหม่แต่นั่งต่อไปไม่ต้องลุกถ้ามันทนความเจ็บไม่ได้เราก็เรายอมแพ้ในระดับความเจ็บแต่เราไม่ยอมแพ้ในระดับความอยากและมันยังอยากลุกเราก็จะไม่ให้มันลุกเพียงแต่ว่าเมื่อมันอยากลุกแต่เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่านั่งใหม่ก็ได้ เ้าก็นั่งต่อไปคือไม่ไม่ไปทําตามความอยากคือจะถือท่านั่งเป็นหลักสู้วับความอยากไปไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งขอบเตียงนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่นั่งมันนี้ต้องนั่งยาวนาะหลายๆชั่วโมงเรลยาาบางทีเราอยู่ในที่ที่เราเดินไม่ได้แล้วก็เอาท่านั่งไปอย่างเดียวเขนอยู่ในห้องของเราเนี้ยเดินจมกองไม่ได้ก็เอาท่านั่งมันท่าสี่ห้าชั่วโมงไปเลย ไม่ต้องไปลุกมันนอกจากมันเมื่อยจริงๆก็ยืนเน่ะยืนแต่ก็ยืนตรงนั้นอะยืนเยังยงจะเมื่อย ก, ก็กลับมานั่งใหม่นี่เป็นการสู้ความอยากการอยากจะไปทํานู่นทนํานี่อยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นพ อ, อไปตรงนู้นก็อยากจะมาตรงนี้จะจะจะสู้กับตัวนี้ก่อนส่วนให้ทัว่วแบบความเจ็บนี่มันต้องมันต้องอีกขั้นนึง ขั้นแรกนี้เ อ, เอาเอาไอความอยากที่มันเบาๆก่อนเราอยู่นี้เราอยู่ในที่ในห้องจํากัดแล้วก็ใช้ทีนี้ไปก็ได้นั่งเฉยๆสีห้าชั่วโมงไปล อ, องไปทํำดูใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิสู้กับมันนั่งแล้วพุทโธก็ได้นั่งพิจารณาก็ได้แต่อย่าหลับก็แล้วกันแล้วก็อย่าดูอย่าฟังอย่ากินอย่าดื่มนอกจากน้ำเปล่า ถ้าจำเป็นจะทักเ้าห้องน้ำก็ไปได้ไปเฉพาะาห้องนัำ้ำเสร็จก็กลับมานั่งใหม่เราเคยทําอย่างนี้มาก่อนเพราะเราเห็นเบื่อความอยากของเรามันหลอกเราด้วยอยู่ตรงนู้นก็อยากจะไปอยตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนูน้นพอไปตรงนั้นก็อยากจะกลับมาตรงนี้งั <c oughs> ้นก็หลอกเราไปลงมาอย่างนี้ที่ลองสู้กับมันสักพักนึงนี้มันตายเลยนะต่อไปมันจะไม่ค่อยอยากไปนะมันอยู่เฉยๆได้ ได้ขนาดนี้ก็สบายไปในระดับหนึ่งเลยเราทํามันตายแล้วมันจะตายสนิทไหมค้ัอาจารย์มันไม่เสนิทเรารู้ว่าเราสู้มันได้นั่นมึงไม่เสนิทกูก็ไม่กูก็ไม่ทําตามมึงอ่ะอใช่ไหมกูเคยนั่งสี่ชั่วโมงได้กูก็จะนั่งต่ออีกสี่ชั่วโมงต่อแล้วก็สู้ใหม่ใช่ไหสู้ใหม่ถ้ามันจะกลับมาแล้วเราต้องสู้ไปอีกนานแค่ไหนคะจนกระทั่งมันไม่มีอเจนกระทั่งมันไม่อยากเลยเออในระดับนั้นนะในระดับเรื่องของการเอ เคลนไว้ไปนู่นมานี่โดยไม่มีเหตุไม่มีผ ล, ลบางทีลาคาญอยู่เฉยๆลำคาญต้องลุกไปนู่นต้องลุกมานี่ต้องทํานู่นทํานี่เอันนี้คือในระดับหนึ่งตัณหาในระดับนี้นะแต่ตัวอื่นไม่เกี่ยวนะมันยังมีอีกหลายตัวแราเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนมีตัวนี้ก็อย่างน้อยก็สบายแล้วอยู่ติดบ้านได้แล้วใช่ไหมอยู่ในห้องได้แล้วไม่ต้องออกไปไหนมาไหน พอพอทราตเรงนี้เนี่ยต่อไปก็นั่งขัดสมาธิให้มันเ อ, อนั่งแล้วให้มันเจ็บแล้วสู้ความเจ็บที่อัออนนี้เราจะมีกําลังมากขึ้นแหละค่อ ย, อยพัฒนาไปทีละเก้าหรือถ้าอยากจะเดินก็เดินมาให้เมื่อดให้มันล้มเลยถึงค่อยค่อยหยุดเดินเดิ น, นไปสองสามชั่วโมงเลยรู้สึกมีผ้าจานรูปหนึ่งท่านสอนให้ตูกศิ์เดินทีละหกชั่วโมงเดินไปอย่าง อยากจะอยากจะทําอะไรก็เอาเดินนี่แหละเอาการเดินนี่เป็นการกระทาลองเดินดูเดินยาวๆสองสามชั่วโมงไปเลยเดี๋ยวความอยากมันจะหมดเองพอมันเหนื่อยแล้วมันก็หายอยากนี่มันนั่งเฉยๆได้สบายนั่งสมาธิได้ต้อง <Amen. S 1> ต้องเอาแบบรุนแรงมันถึงจะสู้กับความอยากได้เอาแบบละละละละอันนีล้นิดเทียรหน่อยนี่ความอยากมัน มันมันไม่ตายแล้วมันกลับมาเร็วมากนเอามันแบบแบบสุดๆโหดๆกันเลย เ, เดินทีก็เดินสี่ห้าชั่วโมงไปเลยนั่งก็นั่งไปสี่ห้าชั่วโมงไปเลย <c oughs> แล้วต่อไปมันจะไม่อยากแต่อไปมันก็อยู่เฉยๆได้ทางโลกนั่นแหะค่ะอาจารย์คืออย่างเวลาทางานช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องคน กระทกระทั่งกันเไหมค่ะก็มีสองประเด็นคือถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขได้ก็แก้ไขไปถ้าแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องทําใจเราหยุดหยุดหยุดหยุดความอยากของเราที่จะไปแก้ยอมรับ ว, ว่ามันทําไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอะไรจะเกิดก็เกิดเราจะรู้สึกว่า เราก็ทําดีที่สุดเราคิดว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไระก็ตามก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมีผลกระทบกับเรากับเขาอย่างไรบ้างถ้าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษก็อย่าไปพูดดีกว่าบางทีมันอาจจะดีแต่มันคนไม่ยอมรับเนี่ยพูดไปแล้วมันทําให้เกิดโทษเกิดปัญหา เกิดความเกลียดชังกันโกรธเกลียดกันก็ อ, อย่าไปพูดอย่าไปทำดีกว่าเฉยให้ไปป่อให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมเดี๋ยวบางทีปัญหามันก็แก้ของไปภายในตัวเองอเราไม่ต้องแก้บางทีคนอื่นก็มาแก้้เราพยายามอดทนกับเรื่องนี้อยู่ว่าให้คุกวสนสัญญาเนี่ยพยายามเอาอ คำมั่นสัญญากับใครแล้วก็ไม่ควรที่จะผิดคำมั่นสัญญาคกะเลยไม่กี่ปีไม่ใช่หรือสองปีเดี๋ยวเดียวครับเดี๋ยวแล้วก็ปฏิบัติการลองยิ้ไปก่อนค่ะไอนามีอะไรมั้ยากวันจะพูดอังกฤษอาจารย์เสร็จแล้วเพรา e c a u sometimes e s when I walk long or when I w a l o t shorter The result you should use the result as your measurement. Whichever way you do and you get the result, then you should use it that way. But this could also change from time to time. Sometimes walking longer maybe give you better result. Sometimes walking short give you better result. Then you just watch the result. Because it's anicca, your mind is anicca. Sometimes it l a e s long, sometimes it l a s s short. So it doesn't matter. Just look at the result. Which one u s e d the better result? It's like buying stock in the stock market. Which one gives you a higher yield? You you buy that stock. But each stock. Can perform differently from time to time. Sometimes this s t o r t performs better. Sometimes it doesn't perform better. So you have to switch. So have to so you can. If you can, at least you know that which way is better. Doing which way is better? If you know, if you can investigate and find out the cost. That's okay. If you can't, just just know the the differences, mm. and don't try to waste your time finding the cost. Mm. Sometimes it's beyond your ability to to find out. Then just accept the fact. Look at the fact that by doing this way you get this kind of result. Doing that way you t get that kind of result. So which one is better? And use that one, okay. but mostly it's usually your mindfulness is the main factor. Okay. So it doesn't matter whether you're walking short or long; okay. it's whether you are mindful or not. Okay. If you're mindful, okay. you will get the result. Okay. If you're not mindful, you won't get the result. So it's the same as sitting meditation. Yeah, yeah. but ensure you h e t A part of the time, the reason why you want to do something very long period of time is to stop your desire. So your desire keep constantly wanting to do something different. When you're sitting, you want to go walking. When you walk, you want to come and sit. So you want to get rid of this, this desire. So you don't do what your desire tells you to do. You do the opposite. If your desire want you to get up, you say I'm going to sit down. Not doing anything is the best way of getting rid of your desire, because your desire use your body as the the instrument. So if you block the body, stop the body from moving around, then your desire cannot get what it wants. Then eventually it will dissipate and disappear. Then next, when you become paralyzed, uh, you cannot use the body; it will not hurt you. If you rely on your body to to do what your desire tells you to do, in the future when your body becomes paralyzed or sick or old, then you will not be able to do what your desire tells you to do. Then you have bad feeling. So it's better to have bad feeling now. Until if you don't do what your desire tells you to do, you'll get bad feeling. But you can use. Samadhi to help you elevate this bad feeling. Use mindfulness or use wisdom. And if you keep on doing, resisting your desire, eventually your desire will disappear. Once they disappear, then it will not bother you to to not be able to use the body in the future. Yeah, Suddenly. for t h e d e g g l e myself? Like I have no idea why it's such. So I lost my concentration. Just to beware. Just beware okay. be aware aware that it, it it it comes up and you don't have to follow it. That's all. you wants to g i g g o You don't have to g i g g l Yeah, everything is anicca, anatta. Just look at it that way. If you can control it, control it. If you cannot, just just beware. Mm. Balance, like because sometimes if I c a n see, w c a n say that. We just accept that, that period we c a n to sit strong. e i o So we don't expect and we don't disappointed. But I think in one of t r a t r a n s l a t i o n I c a n s a y that um, we have to be heavy handed and aggressive because otherwise we can't even scratch the k i l l i n s i d So how do I balance that? I don't go crazy, you know. I can't find a k i l l e s a but I have to be hardworking, know, to to progress. Uh well, you just have to to uh, to decide what you want from your sitting. See? If you want y o u you want to get rid of your desire, then just sit and don't follow. Do what your desire tell you to do. Then you have to sit for a long time, but you you just want to sit and use your mindfulness. Then you just sit until your mindfulness cannot cannot stop your desire. Then you have to get up. Then you go walk. But in this way, you you you're not getting it getting rid of your desire. See. If you want to get rid of your desire, then you say okay. I'm going to get rid of my desire of wanting to get up to move around to do things aimlessly. Then you just have to say, "I'm going to sit down. I'm not going to do anything until that desire disappears." Something like uh -huh. that. Mm -hmm. But if you have to do something that is uh, important, that you have to do it, like taking care of your body. Then doing that is not desire. It's, it's reason. But when it's time to eat, then you have to eat. It's time to wash, you wash. You know. But when it's not time to do anything, then just sit down. Just stay put. Don't move around. This is the direct way of confronting your enemy. The other way is just the the, the going around it. Like when you meditate, you concentrate on your breath, breath, so you prevent your mind from thinking. And when you don't think, then you don't have desire that arise. But it's still there, the desire still there. Yeah. So when you lose mindfulness, your your desire comes up. Then you have to get up. So if you want to confront your desire, and get rid of your desire, then you must not do what your desire tell you to do. Like if you meditate and after you feel like getting up, say you're not g o i n g to get up, you g o n to sit more. You might switch position to avoid the pain, but you're not g o i n g to do anything that your desire tell you to do. Unless it's reason, if it's reason, then you you have to do it. Time to sweep, time to w to eat, time to do this and that. Then you do that, it's okay. But when it's not the time. Just sit, don't do anything. No matter what your desire want you to do, you say know, okay, I'm not going to do it. And you can use mindfulness to help you alleviate your, uh, your your stress. y you know. w h e n you have desire, your your, your mind becomes very uh, agitated, restless. So you can use Bhuto or watch your breathing. And doing this, you have to do until your desire disappear. Or at least you have achieved your your your objective, the number of hours that you have decided to sit for, six hours. When you're really confronting your your problem, is your desire. When you sit half an hour, walk half an hour, you're just learning to use to develop the tool to confront your desires. Eventually, you can have to confront your desire and get rid of your desire. You have to let your desire arise and then let it disappear by itself. When it disappears, then your, the stress will disappear and your mind will become peaceful and calm. That means the person should have a necessary. You can sit on a plane for 12 hours and you don't get j a n a e You go to sleep or you watch a movie. But here you don't do anything, you don't watch anything, you don't go to sleep. You just confront with your desire. Yeah. You you can use some mindfulness, uh, wisdom to help you uh, you cope with this uh, this restlessness, this agitation. Yeah. Yeah. If you do this, your desire will become less and less. Yeah. And eventually, you can stay in the same place and don't have to run around all over the place. Yeah. But you don't have to subject your your body to physical pain yet. That's another level. Right now, we just want to have the the body in normal. Uh, nothing, have any pain. If you feel painful, you move. You can move. Yeah. You can sit on the chair, sit on on your bed, stretch your leg. If you feel tired, you can stand up, just stand, but don't do anything. Stand until you feel you want to sit down. Sit down again. You can only go to the toilet. That's the only thing you can allow to go. If you're thirsty, have a bottle of water nearby. Then sit for, after your meal, morning meal. Then you can sit until in the evening. Sit until you have to turn on the light before you stop. Meal, that period is so empty, and like the mind s t a s to find things to do. Uh -huh. Because having news and activity, yeah. that the mind can do. Right. So you want to? t t you want to. Period is yeah. very restless. I know, but if you don't let your mind dictate you what to do, eventually it cannot dictate you. So yeah. dictate you, and you don't do it, then eventually it stops dictating. If y i y t it dictates you and you follow what it tells you to do, then it'll come back and tell you to do again and again. Sure okay. read well. Don't read, read, don't anything. Mm -hmm. Just use t just use the Dhamma, your your internals, you n know, mm -hmm. instrument, your mindfulness or wisdom. You can sit down, b u t o Bhuto Bhuto, or brush, watch your breathing. Uh, investigate the body, contemplate on the 32 parts of the body, uh, contemplate on the the ugliness of food, the dirtiness of food. You know, anything within the dhamma, you, know, you can use this. You know. But don't let it think about Singapore. Or, you know, then your desire will become stronger, and then you will not be able to to sit. To remain still, not do, not doing anything. Okay. You want to see, stop your activity, your body activity. Actually, it's your mental activity. Because by blocking the body activity, your mental activity will once it cannot use the body to to do what it wants to do, then the mental activity eventually will disappear. Your desire will disappear. It's like people who w a n t to stop smoking cigarette. What they do? They have to resist, right? Every time they want to smoke, they have to. They must not smoke if they if don't want to take a cigarette out and light it and throw it away. It's okay. <laughs> But don't smoke or throw the whole pack away. <laughs> And when there's nothing to smoke, eventually your desire to smoke is, will disappear. Mm. This is the way to to move forward. Mm. Is to get rid of your desire. Mm. So you have got rid of some of your desire now. Okay. You left your home. You know, you get rid of your desire to go out of the house to have entertainment and to socialize and everything. But you still have this desire to. to Go from here to there, go from there to come back here. So you want to stop that also by sitting in one place. a f t e r that, you can sit and let the body become painful and stay with the pain. So that's the next step. So you have you you have stronger ability to resist your desire. It's not the pain you r e resisting; it's your desire to run away from the pain. That you want to resist. So it's the kind of samadhi kind of samadhi. samadhi and vipassana. Mm -hmm. So for the pain I a t least I have started to h e e p a i You can get rid of your desire. You have vipassana. If you, if you understand that mm -hmm. the pain is the the desire is the cause of your unhappiness. So you want to get rid of your desire, so that you will not have any unhappiness. Restlessness, agitation—these are all dukkha. See, and it's caused by your desire. And if you see that the desire is the cause of your suffering, so you resist your desire, get rid of your desire. Once your desire is got rid of, then there will be no restlessness or agitation. Your mind will be peaceful all the time. Don't have to do anything. Try to sit for six hours. If you in the room, h huh? oh, maybe half for three hours, <laughs> then walk for three hours. o r h e l s e you won't you won't move forward. You're sick. You'll you get stuck where you are. You need some drastic yes. uh, approach to move you forward. <laughs> That's why you have to do this kind of thing. Uh, like if you can sit cross-legged and sit for six hours, then if you can overcome, you can move forward. Or you go sit in a cemetery by yourself at night alone to fight your fear. <laughs> you have to do that. So you need drastic measure. Ordinary measure is i s not enough. Uh, if it's enough, the Buddha doesn't have to leave the palace. They could practice in the palace. They could build a kuti in the palace and practice there. But it's not enough. You need drastic uh, measure. You have to be subjected to all sort of uh, hardship, yes. danger, pain, you know, in order to get rid of your desire. All right, four o'clock. Understand English? No? Uh, uh, a little. You don't k n yeah? <laughs> a w English. It's good time. Eh? y yeah. mm -hmm. oh, So <me> lie, <laughs> <laughs> mm -hmm. I to go learn o t e h a n e l n h v e you r e a you r you d e y o l e a r n h a o n h o h a e r h y o v e y learned? a o u n o l v e y e a r n h a n d o n h a n e you l a r n Have you e a e o n h e o a r n e h a o a r n d a o u h l e n d o n Have you e r e h e n h e l r e o l r n h a e a e h l e a Have you e e n h e r e o r a h l e Have you e e n h e r e o r a h l e Have you e e n h e r e o r a h l e Have you e e n h e r e o r a h l e การเหตุแบบเดิมผลก็แบบเดิม <c oughs> แต่ให้ผลมันมากกว่านี้มันก็ต้องเหตุมันก็ต้องมากกว่านี้ <c oughs> หนักกว่านี้มันหยอก <c oughs> หอแยะแยะเบาเบมันก็ผลก็เบาเบาถ้าเหตุหนักผลมันก็หนักอะจายก็ยังยืนอยู่ให้ยืนได้ะอก็ขยับลองดูไปก่อนเงี้ยใหม่ๆก็ใหม่ๆก็ยืนได้ไปก่อนอต่อไปก็ไม่ไม่ยืนเลยอย่ามาขยับซ้ายขยับขวา <c oughs> นี่ไงวันนี้มีแต่อาจารย์เท่านั้นน่ยอาจารย์มีแต่หมอระดับปัญญาตีโทเอกเท่านั้นเลยเนี่ยวันนี้มีปัญญาชนเท่านั้นก็พยายามทําไปแล้วได้ผลเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับกับเหตุที่เราให้ลงไปนมันจะได้มากกว่านั้นไม่ได้ครับอย่าไปหวังซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วน้ำมันซุกมันอาจจะถูกก็ได้ครั้งหนึ่ง จิตอาจจะรมให้สักครั้งหนึ่งก็ได้หนึ่งรกแต่อย่าไปคิดว่ามันจะรมให้ทุกครั้งนนทำไปให้มีสติค่มใจไว้ค่มความอยากไว้ไปอยู่ถึงวันไหนวันที่สิบห้าควันที่สิบห้า บอกโยกว่าใจเย็นๆทาไปเรื่ อ, อยๆ อ, อย่าท้อบางทียากมากๆแล้วมันก็จะท้อบอกว่ามีขึ้นมีลงการปฏิบัตินะ <Okay. S 1> บางช่วงก็ยากบางช่วงก็ง่ายถ้าช่วงไหนมันยากก็เบาๆหน่อยก็ได้ผ่อนผ่อนบ้างก็ได้พ อ, อมีกำลังค่อยค่อยสู้ใหม่แอย่าเลิกแค่นี้ อ, อาจจะทําหนักบ้างเบาบ้างดูตามกําลัง บางบางทีก็ทุ่มไปเลยเท่าไหรสุดๆเลยบางทีไม่ไหวก็เอาบะคับประคองไปก่อนอย่างน้อยขอให้มันอย่าถอยอย่าอย่าเลิกก็แล้วกันนในการปฏิบัติมันก็อย่างเงี้ยเห ม, มนกับเดินทางขึ้นเขาลงเขาอะช่วงขึ้นเขามันก็เหนื่อยหน่อยแต่ช่วงลงเขานี่มันก็เหมือทําอะไรก็ได้ง่ายมันก็อย่างเงี้ยไปยนี้ไปเรื่อยๆมันจะไม่อยู่วันน้นใช่ไหม <laughs> อย่าท้อเวลาเวลายากลาบากก็พยายามเหมือนขี่จักรยานขึ้นเขาขี่ไปเรื่อยช้าหน่อยหนักหน่อยก็พยายามไปพอถึงยอดแล้วเดี๋ยวมันก็ลงนะพอลงก็โอ้ไปง่ายพอถํากันอย่าอย่ายอมแพ้อย่าเลิกใช่ไหมอย่างหลวงตาบอกสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยถ้าสู้หนักสู้เบาก็สู้ไปถ้าแรงมากก็สู้หนักแรงน้อยก็สู้เบา งไได้ยินไหมได้ยินค่ะเอาทุกอย่างไปปฏิบัติเลยค่ะอดู